ขึ้นมาล่ะลองตั้งภูมิขึ้นมาเลยตรงนี้เอาตั้งเอาเป็นบริบาลอยุเด็กสี่ร้อยแปดตั้งขึ้นมาเลยว่าเราอยู่เลมันไม่ได้เเน่ยลองตั้งขึ้นมาเลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะตั้งตั้งภูมิขึ้นมาก่อนเลยตั้งภูมิเอาวันไหนขึ้นกี่ข้ามอ่าวันเนี้ยสี่ข้ามวันอังคารสี่ข้ามใช่ป่ะมันเห็นง่ายดีอ่าสี่ข้ามที่เท่าไหร่วันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ คีอครับ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวเรื่องเดียวสถานเรื่องที่เราดูเรื่องที่ถ้าเราเรื่องอื่นมาผัวพันสมองเราก็จะอสถานเรื่องที่ก็คือเรื่องที่ไปเลยเราก็ดูดาวเสาวมันอยู่ตรงไหนเปรียบเทียบกับยัำใหญ่ยำย่อยเแล้วก็ภูมิอ่าแล้วภูมินี่ถ้ามันเป็นการาินีเป็นการาจินีในภูมิวันเนี้ยเป็นภูมิวันมาอยู่การาจินีคือมันก็ไม่มีผลอะไรมันคือผลที่มันจะเกิดมันอยู่ที่อ่านั้นเอามา เอามาวิเคราะห์อ่าว่ามันในยามย่อยถ้าเจ็บมันอยู่มรนงังเป็นไงเจ็บมรนังเนี่มันก็เมรนังเลยขายได้แน่นอนมรนังนี่ก็คือมันจะไม่ดีเลยในยามย่อยนะอเออเอรานั้นยามย่อยเส า, าต้องอยู่สามตัวบนเท่านั้นที่จะขายได้แต่เมื่นี่มาดูยามใหญ่ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ายามไอ้นี้ เจ็ดมันอยู่คือเขาต้องการขายไงคือต้องการขายคือผลที่จะออกมาเนี่ยถ้าเกิดมันมาอยู่ที่มรณะมันหมายถึงการจากไปใช่ไหมการจับไปนี่มันอาจจะอาจจะโดนโกงหรืออะไรไปลักษณะนี้ได้หรือจะมันอาจจะไม่เสียที่เนี่ยเสียที่ไปเสียที่แต่มันเสียที่ไปทีจริงแล้วคือขายได้นั่นแหละที่จริงก็คือขายได้ขายได้ไหมได้ เขาอยู่มรณะนังมีไปแน่นอนที่นั้นนะที่จะไปเอไปแน่นอนจะขายหรือไม่ขายก็นันจะพอนยามย่อยที่ตกมรังสินเส่าตกมรณะนี่ยังไงก็ขายได้ไปแน่นอนแต่ก็มาดูในยามใหญ่ด้วยว่าต้องดูประกอบกันด้วยมันไปยังไงเอออันนี้ผมพูดถูกเนาะอ่าเข้าใจถูกเข้าใจถูกนมันไปโดยวิธีไหนยังไงแล้ววิธีให้ไปไวๆอืมอันนี้ก็ต้องถามต่ออวิธีการที่จะให้ไปไวๆมันก็ต้องดูเลิะ ติดป้ายประกาศวันไหนเราก็ตั้งเอาดาวเสาเลยที่าติดป้ายขายอ่ะไม่ติดป้ายขายเพราะไม่ติดป้ายขายแล้วเยเขาจะมาถายยังไงก็บอกไงบอกเรืปากก็ต้องบอกว่าไปบอกเริ่มบอกวันไหนเอาวันที่เราคุยกันมขาต้องมีเหตุและปัจจัยที่จะต้องไม่อยากจะขายชดี่คนมาถามซื้อไม่ใก่อย่างเรานึกอยากจะขายปุ๊บใช่ไหมเอาจะขายนี่เราไปติดต่อคนนี้อืม เราเวลามีนหน้ามาติดต่อจากทายที่ให้เราช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูการเซ็นสัญญาอีกรอบนึงแหละเซ็นสัญญาเพราะว่าก็ต้องจ่ายเงินเซ็นสัญญากันา ท, าทนาขายที่เซ็นสัญญาโอนที่โอนอะไรเนงะียไม่ค้นขายอ่ะก็รอที่จะบอกขายเนี่ยวันเวลาที่บอกขายก็คือการปักป้ายนั่นแหะอ่ะาก็กรณีมันก็ได้ ตกมรณนังมันก็ต้องที่ก็ต้องสูญเสียไปเราขายได้ในมรไม่ขนาดดีกันถ้าเกดซื้อที่ซื้อที่ก็ต้องได้มามรณะนังไม่ได้เราถ้าเป็นมรณนังก็ไม่ได้ซื้อจบอมันต้องติงสตรงกำหนดเลยลมันก็ต้องส่งบนต้องกลับขั้วกันด็ดต้องกลับขัวบ น, บนล่างอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ที่พยังามนี้มันก็ ก็ไม่ค่อไม่เดนกันอ่าพอเรามันร้อนร้อนเย็นอยากจะขายที่อย่างเงี้ยเขาก็กโกงราคาได้เงี้ยกดราคากดราคากดราคาเขาือโกกกดราาแล้วอจจะ้าเขาอาจจะเล่นตัวอย่างเงี้ยเป็ลักษณะเชิงเล่นตัวมาก ยามใหญ่ก็าแค่จะพกูนเนี่ยอธิบายเพราะเราเราทําสาวได้อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เอายามใหญ่มาประกอบปุ๊บมันก็เหมือนว่ามันมันจะเราจะได้ก้าฟันทงเนี่ยมันเออมันเหมือนมีตัวเสริมตัวช่วยให้เรามาพิจารณาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งคือจริงจริงตัวตัดสินก็คือตัวนี้แหละยามย่อยยามย่อยนี่แคือเสาคือตั้งวิเคราะห์คือหลักการเหตุผลอะไรต่างๆที่เราจะพูดไปฮะตัวขยายความขยายความอันนี้ออกกว้าง แต่มาสรุปที่นี่พี่ยย้อยพียมยม ย, มยอม่ยมยอยในยำย่อยมันตีไดสองเดนสิบเจ็ดมูลนังกระเจ็ดตี่ข้างบนอ 6, ไอเสาใ่มสามตัวบนอะไแบบรอ่ีสี่ต่างอีวงนุ่งเียงนี้ก็ขายได้เหมือนกั น, นแต่ก็เสาอยู่มูลนงังแต่นี่ตัวมีแบบมีเคลื่อนย้ายก็ขายได้เช่นเดีวกันนั่นก็เป็นสี่ตัวที่ขายได้แตั้ ความหมายเออต้องรู้ความหมายความหมายของดาวอืมหน้าที่ความหมายไงเพราอมันขยายไปได้กว้างใะ่ไหมบางคันเป็นรถเป็นรถยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องจักรอย่างเนี้ยคือใช้น้ํามันต้องติดอ่านนี่หลยความหมายของดวงดาว น่นเลยนะเป็นหน่วยไอสว่างเลยนะไม่ใช่ก็ใส่ไอปุมหัวเก็นหน่วยสว่านอย่างได้อาจารย์สังซึ่งสังพมไม่ยากครับต้องใช้สมันตาจักรวาลเลยสุกเนีหันหน้าไปทางเวลาเจิญนะครับไม่ใช้ซักเก้นะครับไม่ใช้พิติวานะครับใช้สมันตานะครับาคสารพระพมนะ ตะมันตาจักรวาเลตุอัตราคาเ้นติเทวตาอ่านี้สุดๆงนั้นตจจักรวาลนบิแค่ตรงนั้นครับไม่ใช่ต้องใช้อันนั้นไปตัวขึ้นแล้วึ้งมากระสักเทจบทึงบนเดยแล้ว้าถานวดตกลงเอากรถามก็คือเอาที่เอาก็จบก็ได้ะจดแล้วก็ไปทำเอาทเองก็ได้นะถุงตอนตะวันเพี่ยงบอกเขาดย เรื่องไเตยไม่มีงันไม่งั้ะไม่มีหหมูใบสีกินดุวดาน่ะอันนวดไม่เียวนะหรือว่อันนวดี้เราไมกินองผมมน่ะารหาอะไรก็ไปาส้ตวอาหัวมาตั้งถุเลชิบฟ้าเรื่องกราบวัก็ต้องดูว่าวันสีรัวันหน่งล้าองเียงวันอทก็จะทำมหาวันก็ดีเนาะทำใช่ไหม ถ้าเป็นเสน่ห์เขต้องเอาวันจันทร์ครับวันเพียงถ้าเป็นหาวันดีๆ่าดีๆเขาต้องหาออกครั้งเดียวแค่นั้นแะครับเลิกหายามวันดีๆตขึ้นเรื่อยเป็นรันตาถ้าเป็นอเป็นดีก็เป็นวันจันทร์ถ้าจะเอาเมตานะเอาวันจันทร์ดูดีๆต้องได้ใชนไหมมันตาเขาขายเขามีแต่เมตตาเท่านั้นน่ะ ใช่ Clean. คนนั้น งมเจีเรื่องจริงคงเจ่เรื่องจริงนะถ้าทำนี่ไม่ใช่ลาวไม่เกิดผลนะก็หายอุ้ยผมได้คงก็หายผมติดฉันอมจนี่เรื่องจริงนะครับงั้นงันมันจะเหมือนกันเป็นยังไงจุดไฟอะไรไปก็นี้ผมจิตผมจิตผู้สาวยุ่งก็ได้ห้องไห้แล่นน้ำกูอะ เวลามันก็เที่ยงอยู่แล้วจำเลยเรียนเถึงต้องใช้จำเยอะต้องตัดจำนะตอนนี้เราก็พอพิจรเสร็จเราก็มาที่ฐานจิตก็ด้วยคาถาเนี่ยบริกรรมบริมไสามวันเร็จวางเส็จานเนี่ยสร็สลับเสร็จแล้วก็วาเสรานแวก็าก็ทฐานิตแล้วเวลาเราท่องล้วก็ดวงไปบางไม่ควเลยต้วงมาสามสัปดาอ์สัปสายก็มีพริบาที่แจ่ายได้ ต้องต้องห่งแล้วก็เจ็บยังจด้วยก่อนนก็ิงที่ดีวเป็นสุราันงวันก็ร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องนี่นะสมาชิเป็นห่วงนี่ตรงสมาชิที่ได้เราจะตัดกัน กว่าจะผ่านมาถึงกูมังกรเดียรแล้วใช่ป่มันจะแน่จแก้ไหนนี่ไงแค่แค่ี่จริงจริงนะไม่ไดกจับแค่เพื่อื่อแล้วเพื่อือว่าดได้รอบหนึ่งไรอดกวนอะไรเงี้ยนึงใชมเท่านั้นเอาอมตมาซ่อมันก็ให่แล้วที่มันติดปปากไมิดทเสือีแททาง่างกับตเจ้าคงจะไม่ีก็ุอด้องหายแล้วมก็ไดนี้เอาใจเดียวเพ่ะ่ใจมันเพือตั้งตั้งลม ไม่เลยไม่เกี่ยวสองขวบชอยช่วงตั้งลมเรื่องไม่มีถึงสองขวบวาไปบริกรรมเนี่ยไปเยอะเยอะสร็นไปไม่ได้จนจบกระติกจะสักที่รอบไขอให้ช่วงบริกรรมตั้งอยู่ในช่วงตั้งลมอธิษฐานไม่เกียวยังไงคุณต้องทากระินวางไปที่ที่ทำทั้งทุก ุตามเอ่ยหรพื่อเมตตาเนะี่ยนั่นแหะคือการบำเพ็ญเมตตาพรมิหารนะเป็นการมเป็นการปฏิบัติพรหมวิหารธรรมนะะเปขับ ป, ปรมัญญาอย่างหนึ่งนะรู้ไห ม, มที่รู้ว่าคาใจให้เป็นเมตตาเขาบอกว่าเขาสงทารคใจนั่ น, นหมายถึงว่าการสร้าง ป, ปรมัญญาคือดวง<ม>รอบ่นไปนวดกลางฝั่งกลางแดดบอกะครับครับกลางแดด ไฟถึงได้ไหมเนี่ยไฟไม่ต้องไฟหรอกครูดโดนก็ละลายนะดเด็ดหม้อตั้งไอ้น่แนะตัวยอ้ตรนี้เนะนะล็เกๆรับทำเยอนะนะ้โอ้โหจะทำออแล้วก็หม้อดยู่เลยมีวันผักมัน ส, นสงไรจะหมดจังหวัดแล้วมั้งนะทั้งิมดท่เที่ยวนี่เนะ หน้ามาจะต่อนี่ยใช้คําพูดเอาก็ต้องดูเวลาที่มันจะปล่อยใจเรื่อยๆก็แนั้แนแหละจะต้องไปจับยามต้องมาดูดูให้รับอีกทีหนึ่งแล้วก็นัดมาอีกทีหนึง่งไม่นัดไปประสาทเลยรีปลักษณะอเงี้ยเพรานัเอาเกือบเป็นสีสาวเป็นสีเออเราเป็นสีแล้วก็ต้องดูให้มันตรงรนนกับบอลนา่ยิ้มไปไว้ีูลักษณะเนี้ยนะขายที่ เขาเกี่ยวกับที่นะใช่ไหมเราจะไปถีศตกมรนงังอ่ไมันจะได้เงินไวด้วย อ, อนอกที่จะได้ไปไวเงินได้ไวเงินก็ต้องดูอ่ดูองค์ประกอบดูดาวสองด้วยมันอยู่ตำแหน่งของไหนอีกมันได้มันก็เขาอยากขายมันา จ, จะได้ไม่เต็มเพราะมันร้อนใช่ไหมถ้า <c oughs> มันอยู่ในที่ดีโอ้ยยิงขายได้ไวเงินก็ได้ได้ดีด้วย ห้าเป็นสีแต่ไม่ใช่ห้าเป็นสี น, น, น, น, นี่กรณีหนึ่งแต่ชนิดที่ประธานีบนิ่งเอาห้าเป็นเดชเข้าต้องการเดชอะไรอืน่นไม่เอาเอ า, เอาห้าเป็นเดชในคุณกลางคืนห้ามันหันหน้าไปทำทิศไหนเวลาเวลาเท่าไหร่ก็เราดูได้ว่าห้ามันตกเดชในยำใหญ่เท่าไหร่เราเอายำใหญ่อแล้วก็หันหน้าไป่ใส่ดาวเพื่อหัดคือห้าแล้วถึงเวลาเฟซจดพูก เจ้าของนั่นแหละที่ต้องการในจุดพูบเป็นพ้าก็ให้สักเคเองเลยสักเคเองก็ยังบอกว่าสักเคแล้วก็ตมมกั้งน้โมแล้วก็เปิดโลกก็อย่างที่ผมทานะนะั่นแหละแล้วก็ครั้นี้ให้อธิฐานเราเองก็พูดออกมาเลยเป็นเสียงโดยเสียงใจจริงๆเพราะว่าอะไรวัดจาร์นั่นแะปัจจาวาจาปจจาวาจ า, า, จาออกมาแค่เป็นเสียงดังที่สดชื่ดีให้มันมัน มีกำลังแล้วเนาะนัะ่นแหลเสร็จแล้วก็ปรับควบลงไปตอนตอนที่เขาอธิฐานเราก็คุมอยู่แล้วด้วยสถิต ไปทำํทำบุญจะทําเรื่องอะไรครเรื่องการสร้างติหารพระเจ้าใหญ่อเงองจำเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็หลวงพ่อที่เคยจว่าท่านปลารพบไว้จะสร้างแต่หลวงพ่อจะว่าท่านบารมีไมถึงแต่ท่านรู้จะให้ใครที่จะเหมาะสม สราการบริหารจาัด ก, การทุกสิ่งทุกอย่างตรนี้ยังไม่มีใครที่จะงทง ไ, ได้รเราไทยี<อ>่จะไว้ใจทำได้ซึ่งมันมีผู้ช่วยจะววาอยู่หลา ลบขึ้นมาเอ๊ะจะทำยังไงยังไม่เคยได้ดําเนินงานยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่ทาปะทุให้เสร็จแล้วก็วันมาหาวันเลยเอาวันมหาวันแล้วมันไหวดีแล้วนตอนนี้เป็นไ้ตอนนี้อะไรหล่ะสามวันไม่ถึงตั้ก็ปาดสิบสามสิบ้าก็สำเร็จจบข่าวแล้วแล้วอันนี้ทําให้หลวงพ่อเสร็จพระเคลื่อนกันที่เรียนหรือล่า หลุดแล้วก็ได้ได้ผลเหมือนกันก็เลยว่าอืมสืบสได้นะเราไม่ใช่ว่าสืบสืบได้จริงจริงแต่ช่เคื่อเลยหรือช่างช่างเคื่องไม่ต้องนั่งรอได้ปักทูบเลยไปนี่ช่างเค่ก็ปักแล้วนะเนี่ยกลับไปเนี่ยได้ข่าวดีปักเนี่ยปักแล้วเปียนวันเนี่ยทำไมมันคุกเชิงบกเลยเลยให้คุกเด่๋ยวจะมีญาติโยมมาภาวนาไม่ต้องไปคิดมาก าแล้วก็อย่างนี oh, ้เป็นเจ้าผ้าอ๋อโยมถึงข้าววัดกันจังก็อาจารย์ก็วันที่ไปรับวันไหนนะี่อาจารย์มาวันไหนวันที่21คืนวันที่20ผมทําให้เลยอาจารย์มา21คืน20ผมคุมอย่างที่บอกต้องการอะไรบอกต้องการสีเอาผ้าเป็นสีเงินเนี่ย แล้วก็เลยให้สีสองชั ah, so ้นเลยนะไม่ให้สีชั้นเดียวนะแล้วทำไมไอ้คนที่เรียนด้วยกันเนี่ยถ้ามันไม่รู้แล้วไงไอ้คนปักก็เลยไอ้คนปักก็ไม่รู้เรื่องแค่ตัวฝึกเขาบอกอะถ้าดูเวลาถ้าดูเวลาถ้ามันมดูเองไม่เป็นยุ่งวุ่นวายไรแบบนี้ถ้าโกเมนไม่อยู่เนี่ยตเราบินไปโน่นไปนี่เนี่ยเขาบินไปนะนี่ท่านใจเขาปักแค่เท่าเครืบินปักเนี่ย แ้ทำไงถ้าก็บินไปต่างประเทศเนี่ยว่าผูดยสารบงแสนให้เดินียว่าไปะไต้องเียนโอ้ถ้าถ้าก็เผอเขไม่อยู่สินปีละทำไงต้องรอบโลกทำไงก็ต้องลองดูเองมาโอ้โหมันเป็นขนาดทานวางแผนขนาดนั้นอ๋อผมเป็นชาวจีนอ๋อเปนการณมิตรยังไม่ทับซึงกันมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยก็เลยประสบการณ์ตรงที่ อันนี้คืออันนี้คือแบบต้องไปแส่ทูบก่อนอันดับแรกต้องทําทูบก่อนนะอะไรกันอันนี้คือแบบมันก่อนไปเนี่ยหาอาจารย์จนอาจารย์จะมาทําไมจะมาทําไม <c oughs> ก็เรียนไปเล้วนจนอาจารย์ดา่าโอ้ยผมครั้งแรกที่หลาสิบห้าวันเองเนี่ยแล้วก็ไปถึงสองเดือนไปทําวิธีมันมเสียงน้อยที่หลาจะไปทําที่ไหนบนเลื่ เชียงใหม่เขยังไม่รู้เลยจะทาถึงอุบลโอ้ยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การวางต้องวางเรืเนะ่อ<า>งด้วยะตอน<ล>ปักนะไม่ใช่ไปปักเฉยนะต้องวางเวลาด้วยนะวางเวลาที่ยามใหญ่ที่พระเราคือห้านะเลยจุดจใหญ่ของมันตรงนี้ยจนจุดสรุปเนี่ยมันเป็นตามพระพุทธพจน์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเราเกิดมาโดยกรรมแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรับกรรมนั้น เราสามารถจะเปลี่ยนกรรมโดยการสร้างกรรมใหม่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนกรรมเดิมได้คือเรามีบาสนั้นนี่เนะี่ยแต่เราสร้างกุศลก็เปลี่ยนกรรมบาสนั้นไม่ต้องรับรับกุศลนั้นถูกกับเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือเลิกที่เราจะทําเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยอนะ่ะเป็นสวรรค์ก็ได้เปน็นนรกก็ได้ใช่ไหมล่ะเป็นอย่างเร่งเด็วสุดชั่วโมงห้าเป็นเดใชใช่ไหมเขาทํากันนะครับในยามย่อยที่ขึ้นเสาดุสังห้าให้อยู่สามตัวบนถ้ายิ่งอยู่บนสุด ย, ยิ่งอ ไอ้นั่นนะ่ะนี่เคือชั่วปากพูดแบบเร็วสุดนะ่ะชั่วโมงครึ่งได้เลยนะ่ะชั่วโมงครึ่งนะ่ะได้เลยนะ่ะไอ้เพื่อนผมที่อยู่สุขเกศเนี่ยพอผมบอกมันตอนเช้านะตอนเย็นมันได้เลยน ะ, ะแต่ไปบอกเพื่อนมาทีนึงที่เป็นเจ้าว่าอยู่กาลสินเนะอันนั้นตอนแรกสองวันก่อนอพอปักครั้งที่สองก็ให้ดูอีกมันก็ให้ดูที่เฉยเราเวลาเนาะอันนั้นครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ ต้นแปดจะสร้างตลาใหญ่เหมือนกันหลายล้านนั่นะปากครั้งแรกในสองวันจะภาพมาบุมบุมบุมบุบุมปากครั้งที่สองขึ้นชั่วโมงมากันเลยเขาตอนนี้คิดว่าอีสานใต้เนี่ยทําประมูลได้ดังแน่ณเวลานี้เพราะว่าท่านจะท่านแค่แค่สะกิดทีเดินทาไปได้ไกลก็วันนั้นคุยกันเ้าเรียกให้ผมขึ้นไป บอกว่าไอ้อท้าท่านาดูน่ะพระที่ขุดไี้เป็นปี๊บไม่ไปเอาเลยที่ขุดใหม่ต้องแกวางเลิกขุดก็ไปได้เลยเออน่ไหนเนียกทูปเนี่ยปากูปปรถาปักทูปเนี่กูปายแทงเนี่ยขุดลงไปตรงทูปน่ะได้เลยน่ะท้าท่านาดูน่ะแกเอาแต่พระพระท้าวานจะไม่เอาเป็นปี๊บปี๊บอ่ะนั่นแหละให้ผมพิจารณ้านนี้ด้วยลงกระืบแลน่าขาวมด้วยะอะไร ไปอูแล้วจะเอามันล right. uh, right? uh, well, ูกอาบกฝากที่ไหนยังไม่ได้เขาหลดเลยเอาอะไรปะเอาบอกกันหน่อยปะมึงอะไรเงี้ยอ้าวทู่ได้ไปหมดแล้วนี่มาไม่ทันมาไม่ทันสองอาบน้ำสะอาดที่ไหนเล่าเราเป็นฆราวาสทำได้ฆราวาสไม่ต้องฆราวาก็ถ้าเป็นได้รับสินรับศินให หมดจอดใส่ชุดขาวได้ยินงดีไม่ไแหละ แ, แน่นอนอยู่แล้วอรับสีใส่ชุดขาวว้าวเลยใส่ชุดขาวเลยชุดขาวอ่าไอ้ทูบเนี่ยพระต้องเสงให้อยู่แล้วเพื่อไปจุดตามเวลาเลยนะจุดทูบตามเวลาอ๋ออันนี้จะเป็นอาจารย์ทําให้เขาว่างันธนาโยมไปทําให้เขาหรอต้องมันต้องพระทำเออโยมไปจุดโยมจุดตามเวลาใน ที่เราเรียนเลยเวลาจะเอาเรื่องอะไรก็เอาเอาเรื่องที่มันอเออจะเอาจะเอาเน เป็นเนี้อเนื้อจะให้พระชุมนมด้วยช่วงว่ชุมนมได้เลยได้ไมเทวดาอ่าไของนหวได้อ่าเนี่ยลืมไปก่อนไอ้นี้จุดธูปตามเวลานี่กอนเอ้จุดธูปถูกแล้วถูแล้วจุดธูปแล้วก็หันหน้าเข้าไปแล้วก็ชุมนมเทวดาเปิดโลกเลยเอ้นโมสามจบนโมสามจบก็เปิดโลกอ่าเปิดโลกแล้วก็อธิษฐาน สู่อ๋อสสเคอ๋อสู่อ๋อสธิษฐานออกเสียงเสร็จแล้วแ่นี้ก็อะไรก็คู่พระทำทิธีให้แล้วก็ไปจุดเอาเตามเวลาจะปฏิบัติเองจ็จุดแล้ก็คือเบอร์ตูอธิษฐานตืนเรื่องหนึ่ะถ้าเรารู้นเรื่องตรงเกณฑเรื่องสอง เรื่องสองก็หันหน้าไปทางที่ไหนในจังหวันที่จังเกียนถ้ที่เหือวันหามใหญ่ที่เป็นแต่ถ้าต้องการด่วนต้องการไว้นี่ให้ยันย่อยให้ยันย่อยในขึ้นตามตัวดเิขึ้นสามตัวเสาอ่ะตามตัวบนเสาอะไว้ให้ เปยันดุติตังอวังล้มนุษย์ไปยังเลียเตะห้องมิจิสันตัวบนิตัววา่ไหอันนี้แต่อันนี้มันไม่เป็นกราเซนีอยู่แล้วใช่มหมล่ะเนี่ยในภูมิวันในภูมิยันใหญ่มันก็มีเป็นกระสีแต่มันถ้ามันขึ้นไปเป็นดุติตังหรืออ้วังอะไรเนี่ยมันบริวารทับสีมันกระทบมันก็ทางานจบแล้วโอเคถ้าเป็นหวยก็ออกเลยต่วบริวารทับสีการลกินีทับสี ทงแคนี้ที่ทำอเนี่ยอันนี้คือเร่วัศีอาจารย์ีมีัศีผมไม่มั่นใจเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยครั้งแรกอาจารย์กไอลองสู้ก็ เสกพระเสกทดกวัยพอันี่คือต้องต้องททีย่างใครเสกนีไปขอพระเลย16ดอกไปเลยท่านเสกเสกผัวพระดิพระเราเรีนมาเนี่ยอาจารย์นี่ก็เสกได้นี่ใครท่านแนวก็เสกได้ใชนไหกเสกได้กเสกได้ก็ได้แล้วใครเสกก็จะเสกก็ไปดีเสใกล้ ใกล้ถึงก็ให้คนร้ายสเบก<ะ>ยกมนวนไปเลยน ะ, ะยก็ยกหอทูไปทั้งหอเลยมีมวนทันแล้วเจ้า น, นี่เราก็เอาไว้ปรับโอ<ด>เคแั้วเริ่มเ็วว่าถ้าเรารู้นี่เอาไปใส่บาตรนี่อธิฐานแล้วพี่ องใหม่ล่าสุดด่วนที่สุดเห็นผลจริงเห็นฝนแล้วประสบกับตัวเองเห็นแล้วคนอื่นเห็นเห็นผลไวก็ดูทจ่ังเอวมโนสยังนี่แหละสำคัญข่นสามตัวบนยังไงก็เห็นผลไวมากอย่านใจเลยเอารถเอาลาฟเลยจะเอาทำไมให้อยู่กินสบายก็พอแล้วไม่เปนไม่เนสินไม่เป็นเป็นี่เลยเป็นสินไปไหนให้สะดวกสบาย ไดผว่าเลยที่แต่เทนนิสจะไม่ใช่มันจะเยอะหน่อยไม่ได้ก็สิบล้านยี่สิบล้านนึงไม่ต้องพันล้านเออให้มันคุ้มหน่อยมันมาสิบล้านยี่สิบล้านก็จะย่อยมาจนครบมันขาดอะไรแล้ก็มาขาดอะไรแล้วก็มาเอ๋อโลกสิดโลกโลกสิดคนสะทองเนี่ยจำบ้างรู้จักขอทีพันล้านเลยนะจริงจรอ้สารบอกขอทําไมทีเดียวให้มันอีกความ อย่าไปจะมีความคิดท่านไม่ได้มีความคิดมันก็แค่ขออะไรขอไม่จำกันขอขอให้เยอะไปเลยอขอเยอะเดี๋ยวเวลาเราขาดมันก็มาเอองมันก็มาจนเรื่อยอ่างเมื่อที่เราลืมเอ่ะพอเราขอไปแล้วเนี่ยถึงพลานแล้วเหรออไหนไม่ถึงพลานแต่ถาาว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันมมมขึ้นอยู่กับโยมขอพลานจริงจ แค่ขอบขอบเท่านั้นนะ ก็ยังไม่นึกว่าอยากจะได้อะไรด้วยแต่ทาให้เขา ไ, ได้แต่ตัวเองเนี้ยไม่นึกเพราะยังไม่เดือดร้อนเต็มที่ถ้าเดือดร้อนเต็มที่ไอะไรก็มึนขึ้นใหญ่เลยอยีกเดีย ว, ยวนัน่ก็เดืได้เคลียรับจากอาจารย์เนี่ยเพราะอาจารย์พอใจท่านเป็นนึกที่สอง ส, องสาล้านอะไรก็ว่า น, นึกยาไปต่ำหนึความคิด ใจที่ใจเมืองให้คนดูแล้วน่าซื้อเราจะรู้อย่างไรใจใจใจที่อธิบายสอนไปแล้วใจที่ใจบ้านใจเมืองกระปื้นใจใจเมืองกระทำยังไงวิธีอ่ะปรื้นใจเมืองอยู่มาใจที่ใจเมืองสอนเมื่อไหนี้มีประชามันแล้วเนี่ยแล้ววิธีเข้าบ้านทํายังไงเนี่ย ตรน้เลยาเรียใจที่ใจบ้านนะก็เหมือนกันตามมบ้านแล้วมันเป็นปูนหมดเลยซวเหลือไม่แดงซวยไปดิเกาะมาแทโปนไี่รูคนก็ไปรู้ด้วยเหรอถูกไหคนจะซวยมีไัมซวยกนรวยอ่ะ้องไหวก็เอาง่ายก็เอาที่ทิ่ตรงนี้่เอาที่เอาดินตรงนั้นมาก่อนเอาไอ้นี่นะเอาทีินเอาดินตรงนั้นมาก่อน เอามาใส่ใส่แก้วใส่อะไรไว้นะเอาไว้สำหรับอะไรรู้ปล่าสำหรับฝักผูกนี่จะทำพิธีนั่นแหละแต่ในขณะที่เรากำดินนั่นนะ่ะเอาดินตรงนั้นมาเนี่ยเราก็บอกเจวที่เจ้าทางเทวดาเลยกลุกมว่าวขอเขาดิเนี่ยหายได้แล้ว ทำบุญให้อะไรก็ว่าได้เกจะทำบุญให้ศาสนาเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นพุทธบูชาเป็นศิวาต์อันนี้แล้วก็เอาดินตรงนั้นนะขอเข้ามามาทำไอท้ที่จะได้ขายดีไวดินดวนมีโขนดอยู่ด้วยจะเอาโขนดเอาวางไว้แล้วก็เอาดินเนี่ยใยแก้วเนี่ยไอ้ที่เราได้ใส่แก้วเนี่ยมาวางทับโขนดไว้ตั้งฐานกันนี่แหละ เกษตรทูบอย่างเกษรูบเหมือนที่เหมือนที่โรงงานออ่าเกษตรูบอย่างเหมือนที่จะตัดทูบเหมือนปัดทูบอก็ต้องดูเลิกอยู่แล้วปกติอ่าเปลี่ยนเป็นสีใายด่วนใช้เร็วให้ตกวงระนังถ้ายิ่งดีก็ตกไว จ้อยกอนวนันเลยขายที่ขายวายขายได้แล้วเนี่ยไอ้คนทําได้เงินหรือเปล่าไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ยไม่ต้องคุยกันหน่อยอไอ้คนทําไอ้คนทําวิธีให้ได้เงินหรือเปล่ปาเนี่ยเราดูตัวเองไปหรือเปล่าว่าได้เงินหรือเปล่ปาเอ <laughs> อเราคุยก <c ười> ันก่อนแล้วอย่างนี้เอ้าไม่รู้อขอทําให้แล้วขายได้แต่ไม่ได้ดูตัวเองไงว่าจะได้ตังหรือเปล่าได้ดีใจบ้านนะก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเราดูตัวเราก่อนแล้วตอนมันมาเน่ะว่าเราจะได้ตังแผนนี้หรือเปล่า ไม่งันจะไปนั่งดูงเสียเวลาไปทำที่มาทไมดูดูดูงดูทโปเอา้าเราก็ต้องตรวจตัวเราก่อนทุกวันอยู่แล้วนี่ว่าวันนี้เราจะตวอโนโกหกหรือเลปล่าีโมงมันจะมาโกหกเราเราก็รู้เราอยู่แล้วเอาไว้ให้ดูตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่นเขาไม่ใช่แหมมาถึงไปนั่งปกักแม่มทั่วประเทศปรากันสตางค์เรื่ัสนึงเหนื่อยจะตายหาได้แค่ขึ้นเครินเที่ยวแม่งง่ทิฟ้าไร้ประโยชน์มีประโยชน์อะไรเอ้าไม่ใชเคล็ดเลยเรื่องปกติ ทำธุรกิจแล้วจะรู้ไม่ใช่พระผมไม่ใช่พระเวชันดอนนี่เว้ยหาเหื่อยจะใจหาคุณนั่งของอดออยู่บ้านม่ดีอุ้ยสายหาว่าใช่ไหมจริงหรือว่านอนอยู่บ้านไปดีกว่าเลยไปนั่งปากมันกู้อสังหรณ์เดียวก็ไม่ได้อุ้ยหลวงพ่อหลปูู่จะให้โอ้โหเรได้แล้วหนูก็ลืมทุกรายเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เรื่องไม่ใช่เป็นผิดปกติน่ะถ้าได้นี่ยไม่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าไม่ได้เนี่เ็เรื่องปกติโนมาโหกน้อง อันนี cancel, ้ก uh ็ต <puede plausible> ้องดูอ uh ่ะอย่างข้อเห็นหน้าเนี่ยอ่ะเราเช็กล่ะดูละเขามาปั๊บต้องรู้แล้วนะเขามาดูเรื่องอะไรนะไม่ใช่ไปถามว่าเป็นยังไงมั่งไม่ใช่นะเพราะเสามันจะบอกอเสาเนี่ยเสายามย้อยเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วว่าคุณมาเรื่องอะไรเดินเข้ามาป๊อกๆ๊เนี่ยต้องรู้แล้วเลยครับอันนี้ก็บอกสุดการโทรฟงกันนะเราต้องอย่างนั้นเจ็ดสี่เจ็ดสี่ฟองแดงมีมามามาเรื่องที่เรานี่ ถึงไอ้ใบสําเร็จน่ะนะนี่ใบสําเร็จตัวนั้นอ่ะมันจริงมีค่าไงที่เราจะดูได้ว่ามึงมาเรื่องอะไรมันยังเสียเวลาคํานวณเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ไปลอยเขาถามหรือเราถามเขาเป็นไงมั่งโยมธุรกิจเป็นไงดีไหมถ้ามึงจะมากูจะมาหามึงดูทาำยี้อะไรนะใช่นหมเออแค่นั้นยังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้เรื่องเขาก็เรืองของดาวพิชใช่ไหมเนาะถ้าเปิดถ้าเดมาข้างแรงมีโกหกตีเนี่ยถ้าเปิดมาข้างขึ้นเนี่ยเกิดเวลาไหนล่ะ ยามไหนห่ะสมมติเลา่าเวลายามไหนสมมติถ้าเราเห็นไ 1, 2, ม่ 2> 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยพอสี่ตีมันใก้เคียงกับเกแต่ถ้าเกิดว่าไล่แรงปุ๊บเนี่ยเก็บมันถ้าเกิดเปิดเจ็บอยู่ล่างปุ๊บเนี่ยอันีะตกมรนังตกทุบ ต, ต, ตกอะไรเปเพราะมันมันวนไปตั้งนี้เก็บมันจะต้องขึ้นก่อนนะแต่ทั้งนี้มันต้องให้เจ็บขึ้นุกของไข่ทุก มันขับรถมาง่ายเลยดูเลขรถเนี่ยชัดเลยมาเทียบกับเสาณเวลานั้นก็รู้แล้วว่ามันมาไงเรื่องอะไรเป็นยังไงเอาแล้วว่าจดใจให้มาไอ้แก่สูบสองมาหาเราดูรถมารถมาเน้นนอนอยู่นี้นี่ก็เรียนเป็นแน่นนะทำข้อสอบไปบ้างมาดูเลขทะเบียนรถในเวลานั้นยำย้อยทีอยู่ในเสาไร้รถคันเดียวกันพรุ่นี้มาใหม่ก็เปลี่ยนเรื่อง ใช่ไหมล่ะรับออกไปผมไปซื้อขอมาให้กลับมาเป็นคนรู้เรื่องอย่างเงี้ยอันเดียวกันนึงอะมุดเลขสามตัวเนจ็ดเป็ดอะไรเจ็ดสาหนึ่งเงี้ยในยามในยามย่อยที่เสาตื่นตามเวลาเนี่ยมันขึ้นอะไรแล้วมันไอ้เลขเจ็ดสามหนึ่งมันตกตรงไหนบ้างก็รู้แล้วกรู้แล้วเรื่องอะไรทุกเรื่องอะไรไม่ะมาเด่นเรื่องอะไรขำขยายอะไรยังไงเวลาไหนขำขยายก็ไปดูที่ภูมิภูมิวันก็ดูอะใช่ไหมล่ะมันก็จบแหละ ไม่มีอะไรก็ล็อกกันอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ก็สอนไปแล้วเนาะลานละใช่ไหมอืมแต่ไม่เอามาใช้กันเองอไม่เอามาใช้กันเองเนี่ยรุ่นขยายความท่านพวกท่นในทางข้อสอบด้นเนาะเอากรทออัดไม้อ่านกันด้วยซ้ำเลยนะใช่ไหมบ้านเลขที่ให้ดูด้วยซ้เนี่ยรุ่นเนี้ยทำข<อ>้อสอบนะไม่งั้นไม่ผ่านไอ้ที่เป็นข้อสอบไอ้ที่ให้ทํานี่ยเก่าๆมีนะนมีจะได้เอามาเนีน้ย นี่ข้อสอบก็ต้องผ่านกันทุกคนนะทั้งอัตนายประนายน่ะมีตรงนี้ผมไม่ได้เรียนไงผมอยากได้ตรงนี้มีพุ่มพวงด้วยมีพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะมีฝาแฝดด้วยซ้ำฝาแฝดเกิดห่างกระสาวินาทีเนี่ยมีไหมมีอยู่มีอยู่เลยไอ่ด้ยเยอะไอ้ตงการอาจารที่ผมต้องการเนี่ยฝาแฝดห่างกระสาวินาทีเนี่ยไม่มีใครดูได้ในโลกนะนอกจากของเราเนี่ยยังดูได้จริงเพราะมันดวงมันเหมือนกันเดียะมันแค่มีหัวคนเดียวกันนะเนวัง ออันนี้มันเป็นหลักสูตรไงมันต้องมีไอ้ตรงนี้มันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่มีแค่ก็มันจู่ดักสูตรไใครก็ตืสนตื่นกันนไหนก็เลยอยากไ้ที่นี่มารู้ไหมว่ากรทมเขาจุไปได้ไหมอะไรครับกรุงเทพอ่ะจุเนี่ยลัชจรรย์ยุาสร์น่ยของพขนมนะอ่านั่นไฟเจ้าหลินาวัตรวัจจานวัตรสายธาะวัตรไปเร็วยังเนี่ยรถมาเนี่ยมาเราก็ดู ที่เราเห็นเนี่ยมุ้งยามย่อยมันตกอะไรใน ดูที่ภูมิสิสามมันเป็นอะไรลน่ะ ด่วนเลยสามไม่ใช่หมายถึงด่วนอย่างเดียวมันหมายถึงลดเลยแหละลดเลยด้วยเออถามว่าเจ็ดเป็นไงน็อกเลยปู่มน็อกเลยในนี้เจ็ดอยู่ห้องบนลอีกนะทุกใหญ่เลยน็อกซี่เรียบร้อยไอตัวภูมไม่ตัวขยายความนะไอตัวที่อะไรอะคําว่าอะไรน่ะมันอยู่ที่เสาเรื่องอะไรอยู่ที่เสาอืเป็นยังไงก็คือภูมิภูมก็คือวนนี้ แต่าาทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะคุณต้องดูของคุณไว้ก่อนแล้วร่วงหน้าทุกวันที่บอกให้ดูตัวเองทุกวันน่ะวันนี้มันกูจะเจอใครมายืมกับเป๋งกับป๋าที่มันได้คือหรือไม่ย <c oughs> ถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยสาวมาหาเนี่ยมันจะถูกหลอกห <c oughs> รือเหลอกเขาก็ต้องรู้ <c oughs> เนี่ยถึงจะเสวนาจะผ่านาะงได้ไงอันนี้อรถเปลี่ยนเวลาก็าเปลี่ยนเรื่องแล้วนะ เพราะมันจะหมุนไปตามพื้นยใหญ่กันเยอะที่ดนที่จริงเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยโยมเจียหน้าจะได้เยอะหมดไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่จริงคิดว่ารู้แล้วโดยซ้ำนะผมก็คิดว่าโยมเียรู้แล้วนะอะไรอยู่กันแค่นี้มีไม่รู้นั่งคุยกันนั่งคืนเนี่ย เมื่อคืนก็คุยไม่ใชหม่ไงูเมื่อคืนคุยกันคุยเนอะนั่งคุยกันนั่นแหละนี่ทิ้งบอกว่าใกล้ใกล้จัดงถูกเลิกกันหมดมันเป็นแต่ก็ก็ถือว่าดีหมายควาว่าอาจารย์จะรู้ว่าใครควรจะได้อะไรอย่างผมนี่อาจารย์รู้ว่าให้ไปทาอันนี้ อาจารย์บอกว่อนแล้วขึ้นครื่องบินไปตัอยู่แล้ ว, ว, แ, ลวแม้จะไม่มั่นใจแต่ครูบาอาจารย์ไม่ทิง้งก็เลยไม่ถึงตอนว่าสําเร็จนะโอเป็นอย่างนี้เองที่ครูบาอาจารย์ไม่ทิง้ง อ, อย่างนี้ก็เลยออตรงนี้เองสําคัญอยู่ตรงนี้นไม่ต้องมั่นใจ <น S 2> ถามว่า<ห>นในสี่รุ่นสี่รุ่นไม่รู้ว่าใครจะปักพุ่อย่างนี้ได้ไม่ผมไม่รู้แต่ผมทํำโดยผมได้ก็เลยจบแค่นั้นแล้วก็มาบอกต่อกันนี้รุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ย ใครจะทําก็ไม่ทําก็แล้วแต่หลักสูตก็เพิ่งมาอบรมที่นี่ไหมมาที่ไหมไม่รู้า็เนี่ยก็บอกวันที่วันที่นะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรของสํานักพุทธน่ะอันนี้สํำนักพุทธรับรองน่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปทําน่ะสํานักพุทธจังหวัดนะเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยเราก็กระจายออกให้ใครนี่รุ่นสองเนี่ประกาศไปแล้วนะเดือนเม่อกว่าขอที่สิบห้า แต่ประเด็นหลักแต่มันไม่ใช่ว่าปักถูกมาได้มันขึ้นอยู่กับศีลเนี่างเดียวฉะนั้นศีลต้องให้ทํากระสินให้ได้ก็จบข่าวจบข่ากระสินเนี่ยตัวหัวใจเพรเป็นกุญแจสำคัญไยเราก็บอกกันมาตั้งนมานานแล้วไอ้ยางกสินเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าจะเชื่อกันง่ายของมันต้องพิสูจน์ให้เห็นเพอาะฉะนั้กระสินเนี่ยไม่ใช่มาตั้งไว้้มันจะได้น่ะไม่ได้หรอกมันต้องทําเป็น บางทีน่ะได้แล้วตัวเองก็ไม่รู้เลยคนนึกว่าไม่ได้เพราะมันไปซ้อนกันเต็มพอดีเราคนนึกว่าไอดวงเก่าแต่จริงไม่ใช่เรามันได้ไปแล้วแต่ไม่ได้สังเกตเองผมยังโล่รู้เมันรอางกายมัเป็นยังไงเป็นขอบเล็กๆซอนอกตอนแมันเป็นอย่างนั้นขอบนิดเดียวกลางมันก็เหมือนเดิมมันเป็นขออคบนั่นไปแล้วมันไอมเลยมันสว่างขาวเหมือนไฟนีออนอ่ะเหมือนไฟสองหน้าเออดินนั้นไม่มีแล้วแต่มันเป็นขาวนวนสูง แต่มันไม่ได้สดว่างจนนั้นนะมันก็เฉพาะเต็มดวงของมันเต็มดวงของผมนะแล้วก็จําตรงนั้นให้ได้ก็เหมือนกับตอนที่เราไปปักลูกอะก็จําอารมณ์ที่เราปากักน่ะความรู้สึกเขาเป็นยังไงตรงนั้นอะจําได้ปักกี่ร้อยกี่พันผลก็ได้ก็เหมือนกับการเล็งปืนน่ะเรายิงกี่ข้นกี่ข้นมันก็ได้แ่เชิญเทวดาข้นกันลุกแล้วบึ้มบึ้มบึ้มมาแล้วถ้าถ้าขนเชิญเป็นเลือกมาจริงนะอันนี้ไม่รู้สัมผัสด้วยตัวเอง มารู้มันจะขนลุกมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเหรอกบางคนให้นึกให้ตายให้ขนลุกให้ตายก็หนึงขนลุกหรอกยังบอกไอ้ตัวในเนี่ยสาคัญที่บอกไว้น่ะตัวไหนนี่แหละบางคนให้นึกให้นึกให้ขนลุกให้ตายเลยคนไม่เคยสุดยังไงก็ไม่ได้ถ้าไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันนานๆกิ้วไม่ลุกหรอก ได้เลยไงเราปุ๊บได้เลยทันทีเพียงแต่ได้ยินเขาพูดถึงก็ขึ้นแ่ะจริงจใช่ไหมไม่ต้องเราทำด้วยนะแค่เขาพูดถึงเรื่องตรงนั้นเน่ะปึกขึ้นเลยฟื้นเะมันจะฟืลงมาแล้วมันจะเออมันบ่งชี้เรื่องยิ่งโปรงผมเนี่ยจะรู้สัดสัดเลยขนหัวลุกเลยนะมันต้องจะเป็นอย่างงั้นมันเป็นเองไอ้ที่อยากให้ให้ทุกคนได้ไงพอได้แล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่กลัวไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่อง ขี้พึ่งเผมก็ยังไม่สันทัานครับคือสรุปแล้วจะเป็นขี่พึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งวนยาเนี่ยเส ม, มือนกันเ<ม>นี่ยมันดวงกสิสอย่างเดียวครับ <c oughs> ให้โยมได้ไม่ได้เนี่ยไอ้ที่ใครเขาไปทํา ท, ที่ทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ ด, ด้วยดวงกสิสที่เป็นข้อหัวเ้านั่นแหละอย่างที่ผมลงให้โยมผู้หญิงนั่นน่ะนั่นก็เหมือนกันนั่นต้องใช้ดวงกระสีข้อผงใสเหมือนกันหมดครับถ้าไม่มีดวงกระสีสักอย่างเดียวเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลย พระเจ้าจึงเอากสินเนี่ยกับอปภรณสติเนี่ ย, เ, ยเป็นอันเป็นกรรมฐานที่ในในที่สําคัญที่สุดและเป็นสองอันเท่านั้นที่ถึงอ น, นิพพานในกรรมฐานทั้งสี่สิทธนะต้องเข้าใจนะตอนนี้กสินนี่มันต้องใช้ร่วง ม, มือนกับอภรณสตินะ น, นะว่าให้ผมนะผมนึกแปลใจที่ผมดูการบูตเนี้อนาะจารย์นี่ก็ไม่ไ นไอที่มาถ่ายวิดีโอที่ผมจะอัดยิ้มแทนไปไลอเอาสักคับเลยนึกอะไรไว้ออยากรู้นเนี่ยนึกอยากจะให้มันสําเร็จอเก็มันอ่านมันคือมันนึกภาพออกมาหมดแล้ว <c oughs> งานจะออกมาอย่างนี้อนี้คือเรามันจินตนาการไว้หมดเไยคือ <c oughs> ความคิดนั่นแหละจินตนาการนะอ่ะ จัดงานบวชออกมาแบบนี้นะก็รู้ว่าคงไม่มีใครเข้ามาช่วยละออืมก็คิดว่าบวชใค่นี้มันก็มาดูว่าใช้คนไม่เยอะยถ้าไม่มีใครเรานํารรมบัตรสวดมนต์ก็เอาอ่อนน้อมมาช่วยดูแลสอนอบรมเตรียม ไ, มไบรรยากาศก็ไม่ได้นึกอะไรก็คิงว่าจัดงานเนีน่ที่แรก ว, ว่าอบุญเลิศไม่ลงมา เราตั้งเป้าไว้เจ้าสิบเก้าลูกมันจะครบไหมมันจะครบไหมตั้งเลขด้วยนะเนี่ยวันนี้มีโยมหอกมีแน่สามแลบอะไรเแ็กมาก็บอกเขาเข้ามาเรือสามลำว่าเออเอามาเลยมาช่วงเช้านั่นก็บอกว่าอ้ท่านมันมาคิดโอ้ท่านบุญเลินลงมาผ้าให้พออีกเขาก็มาก็มาสรุปปุ๊บก็ได้9ก้าสิบหก ลองผ้าไว้ร้อยผืนอืมก็ได้คือมันก็ไม่ได้ผมก็ไม่เป็นภาพสําเร็จไปแล้วแั่เแต่ยังไม่ได้ทําคือมันทุกอย่างมันปัจจัยก็ลงตัวผ้าก็มีเพราะมันก็ไม่มีอะไรนนั้แต่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีภาพอะไรเลยคือยังไม่มีอะไรเลยตอนที่เราเริ่มด้วยกันนะยังไม่มองไม่เห็นทางเลยด้วยนั่นจริงๆ ซื้พอดีไปมันทุกอย่างมันพอดีตรงตัวไปหมดอาจารย์ก็เลยช่วยเนี่ยมันเป็นห้องน้ำยังไม่มีไม่มีนะมีห้องไอ้สังกะสีอันเดียวเนี่ยที่พักไม่มีอยู่อันเดียวที่หลังเดียวอืแล้วจะเน้นพักที่ไหนภูเขาก็ยังไม่ได้ขุดนะไม่เป็นอย่างนี้น่ะตามพื้นที่ไม่ตอบมันคือขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่มีพื้นที่เรียบแล้วสล่มไอ้นึกเดือนไหนก็เดือนนั้นเหละไม่ไม่ได้เดือน ไปประชุมไงไอ้นึกกันนะนึกไอ้ตอนที่ออกพรษาเนี่ยที่เราจะทําตอนสุดท้ายเนี่ยเออตอนสุดท้ายนี่จะหาตอนจะเริ่มทําที่ไหมถึงก็จะเริ่มทําใช่ไหมเริ่มทําหรือว่าตอนทํากันึกกว่าจะทําอย่างเงี้ยไิบเก้าสิบเก้าลูกเนื้อหลังก็คือเริ่มนี่เลยรไปประชุมที่เนีอยู่ประเด็นหลักทําไมต้องนึกเพราะไปประชุมมาอันนี้บอกอ่ะคือพูดในในกาวในที่ประชุมเลยที่แรกตั้งอาจารย์บอกว่า บวชเดิเนเมษาดมผมมาคำนวณเอทย์เดิเนเมษาเนี่มันร้อนอืแล้วมันก็คนก็จัดเยอะอืมผมวก็เลยจัดเปลี่ย<ค><ห>นเขาในหลวงไปเลยดีกว่าในหลวงก็รอดแล้วรอแรลอแ่อยู่เขาต อ, อนประกาศในตอนนั้นก็ยังยังดีดีอยู่เนาะต่อไปที่ประชุมที่มีจะทรวงส่วนราชการให้พวกที่ช่วยเหลือพวกคนเขานะเนาะเขามาประชุมร่วมก็ประกาศในที่ประชุมมาว่าเนี่ยมี โครงการจัดงานบรรณาการพระเนเก้าุดเกลูกที่บ้านปู่ท่าในวันที่หนึน่งสิเจ็ดตอนนั้นจะไม่มีแผนหรือครับตอนนี้พออาจารย์เขก็อยู่นี่ผมมอกไปประชุมไงเรามาบอกอาจารย์อาจารย์ก็อ่านบอกว่าเดือนเมษาเมษ า, าเรื่อมาทันวาได้ไใน เ, เรื่องมาทันวาได้ไงเอเป็นห้าทันวา อ, อาบุญบุญเลยอาจารย์บอกถ้าเป็นเดือนเมษาจะพวกสสจะสร้างใหม่มันจะต้อง ธันวามันต้องเลือกตั้งฮะก็มีอาศัยเงินสอสอแต่มันก็ไม่ได้ไปอาศัยมันหรอกมันก็มาเลือกตั้งมาที่ยี่สิบน ะ, ะมันก็ช่วงงานของผมปมปมหมดอันนี้ไม่ได้ไปติดป้ายติดอะไรหรอกก็บอกชาวบอกตากกับปาเนี่ยนะให้ชาวดอยมาร่วมแสดงความเคารพพอดีคือเอาเด็กมาแล้วพ่อแม่เขาต้องมาเาต้องการให้จึดเพียนให้ในหลวงแค่นั้นเอง ต้ไว้แล้นะแอยากเห็นภาพชาวดอยเนะี่ยรวมห้างหมู่บ้านนะมารวมกนะันคือลูกเข้ามาเพราะแม่เขาก็ต้องมาเขียนให้รวมแต่จะได้ภาพไม่มีแล้วนะถ้ามีโอ้ยอนีนเด็กๆเพราะภาพห้าท่านลางจะสวยจุดเทียนเล่นเดียวกันนะผมเป็นคนเล่ น, น, เ, ล น, เ, ลนเล่นกลางจุดของผมก่อนแล้วก็เอาเล่นเนี้ย เป็นเทียเล่มเดียวต่อจุดจุดจุดเนี้ก็ต่อต่อต่อคัเป็นจุดเทียนเล่นเดียวกันเราให้สมเีนั่อธิษฐานจิตให้ในรลวงแล้วสารวัารก็อธิษฐานเจ็บแต่สมณีไม่ต้องร้องเพลงก็คือร้องเพลงรันดอยไปเ เป็นไปได้ไหมเพราะรู้สึกว่าไปไประชุมปั๊บใช่ไหม อ, ออกัาษามันก็จะกระถินที่มันก็พลิกที่กีกาใช่ไหมแล้วันมีเวลาอีกไม่กี่วันเองถูกไหมเพื่อเตรียมงานในช่วงพันศาผมอยู่รูปเดียวมผมดำเนินเอนหมดเลยเลยงไงคือวางแผนว่าจะให้เนนทักที่ไหนอะไรแล้วก็ขอขอเลยนึกเอาเลยคอสเนี่ย ครับก็สวดมนต์สวอธิษฐานทุกวันอ่ะก็อธิษฐานแต่ไม่ยังมองไม่เห็นว่ามไันจะต้องเป็นยังไงใคจะมาช่วยเดี๋ยวเราก็เดินงานไปเรื่อยๆจะเป็นระดับขั้นตอนไปอะคนเดี้ยนะคือคนเดียป็นไปได้ยนีงเงินก็ยังมาไม่ครบไอ้เราก็เอาเงินเดือนของเราทั้งค่าด้วยไม้ใบตองตึงสี่พันแผ่นอ่แล้วค่าคนส่งอีกบ็อกเนี่ย ซื้อมาจากแม่เสลียงก่ค่าคนส่งเที่ยวละสองพันเนมันซื้อมาสองเที่ยวแล้วเรือนี่ใช้สี่เที่ยวบล็อกหกร้อยก้อนกระเบื้องร้อยยี่สิบแผงแล้วก็พวกปูนพวกอะไรอีกแล้วก็ฐานช่วมอะไรประโยชน์ก็มาอันนี้มาเสร็จใกล้ห้องน้ำเนี่ยมันจะช้าหน่อยเพราะมันหนึ่ง เยมเขาฤดูเก็บเกี่ยวข้าวช่งที่ผมทำเรียนหลายยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จเลยก็ให้พอนะทุกคมาช่วยทำมากๆผมก็ลุยด้วยชาบเองเรื่องที่พักนี้ก็คือจะจ่ายงานเด็กเราก็ดูคำนวณวนะ่ามันไม่เสร็จไม่ใครเราก็ให้ออกมามใชหาหาหา้หลายหลายลำไงหลายร้อยหลายร้อย หนึ่งใช้ประมาณก็ดูนับได้เลยคือรันมอย่างมันก็ได้กว้างประมาณ10เมตรแล้วความยาวมก็10เมตร10แผ่นนะารวมตัวพอดีทั้งหมดเลยนะคนเคินนอนได้สบายหมดทุกอย่างก็ครบหมดคือกินของกินข้าปรับพื้นที่ตัวมันเนื้อจะไม่ทันข้างบนนี้นี่ได้พอไว้รองรับถ้าผู้ใหญ่ท่านมาวันเดียวแล้วไว้ พระที่มาช่วยงานตั worry, like ้งไสองโต๊ะแล้วเนรข้างลางก็คำนวณว่าเราคำนวณลุกคนว่าที่จะมาร่วมงานเฉพาะเนรเนี่ยตัางีไเบสร้อยเนงถามเราตั้งปอยไว้ห้าสิบเปเ็นต์ร้ยห้าสิบถ้าแ <ielle> ม่ผู้ปกครองอะไรที่เขามาร่วมงานเขาต้องมาพักด้วยโอ้บเพิ่งเคยมาจัดด่ดอยั้งแรกเมือนกันก็ถามด้วยเขามาเขาก็ต้องเป็นห่วงลูกาก็ต้องมาเฝ้าเ็นลูกเล็กบางทีน ร้องไหมขนาดในเมืองยังร้องเลยแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาเพรแม่เขามาแล้วจัดที่นอนจัดพุชพา น, นอนกับพานได้อพวกพ่อแม่ผูกอมันก็ไม่มีมันเราก็มันอธิฐานเราอธิษฐานจิตออก ะ, ะครับ <c oughs> อาจาว่าคิดยังไงเพราะความคิดที่แล้วมันประกาศไปแล้วทำไง สุดยอดจริงๆมันจะสําเร็จไม่สาเร็จอาจารย์ก็ทิ้งไปแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วปอเขาม่อยู่แล้วยจบหลักสูตรแล้วเนี่ยเรียนจบหลักสูตรอธิฐานจิตตอนนี้คุณจัดการปฏิบัติเองหน้วปอเขามีอยู่นี่บุญเลยผมเขียนให้บอกว่าวินยูหิติเลยอ้าวช่หลักสูตรจริงๆนะเขาเขียนจดหมายไว้อาจารย์ไปผมก็ไม่อยู่ผมบอกไปข้างนอกไม่งั้นมาให้ไปทําไมไม่งั้นก็จะไม่ให้ไปแล้วก็จะไม่เชื่อมั่นตัวเองว่า ตัวเองทําได้อ่าพอเข้าใจไหมเหมือนกับท่านน่ะถ้าผมไปกับท่านน่ะท่านก็ทําไม่ได้หรอกเพราะมันจะมาเฮ้ยเราอยู่นี่ว่ะนี่ก็เหมือนกันก็ําด้วยความในมั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเรียนจบแล้วต้องเหมือนกับตกน้ําอ่ะผิดเหมือนกับเราว่ายน้ําอ่ ะ, อะพราะแม่ก็ผลักขั้วยไป ก, ก่อนแล้วก็แบบเดียวกันน่ะแล้วมันก็จะได้ตรงนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันผมก็บอกว่าตอนนี้นะทั้งหมดจบแล้ว หรือคุณปฏิบัติอย่างเดียวใช่ว่ะเพราะสามเดือนนะเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งเพราะมัน ง, งานใหญ่รอยอยู่ละไม่ใช่ที่มาเรียนตอนนั้นนะที่มาฝึกตอนปุทุเนี่ยเนาะสามเดือนเต็มไปเลยนะท่านกเออขัหมาเออหุอัดกันยิบเต็มเลยเพื่อฝึกไงแล้วบอกพอเสเร็จละเลิก๋อไปเลยไปไม่ได้พอขืนอยู่เขาจะไม่ได้ คนเราเหมือนกับอะไรล่ะมันแฮปโนจอยอ่ะไม่มีทางเลือดล่ะมันตาแงงเดินก็ตายขอยก็ตายต้องเดินหน้ารูเดียวแล้วได้จริงเนี่ยมันต้องน้องภูมิใจไงถ้าไม่งั้นแรงอธิษฐานมันไม่มีขึ้นึกว่าไหมไอ้คนจะจมน้ําตายเนี่ยยังไงมันไม่สุดฤทธิ์อันนั้นจริงไหมจริงมันไม่มีนังอื่นช่วยนะคือยังไงจะต้องเอาให้รอดเออต้องเอาให้ได้แล้วมันไม่น่าเชื่อวันสําเร็จได้คุณวันทีนี้เงินก็โอนมาวันที่สามสิบงานวันที่หนึ่งเนี่ย แล้วเขาก็ติดต่อผมไม่ได้นี่ไอคือมันไม่มีทางมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไงไม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผมออกไปวันวันนั้นก็ทางนี้ก็บอกคุกเงินไม่มาแล้วนี่ใช่ไหมทางนู้ก็ไม่รู้จะโอนมาให้ไม่ให่คือทางนี้เนี่ยคิดว่าไม่ได้ตังแล้วอ่สรุปไปอย่างนั้นนะนะไอ้คุณกูทาไงวะแรงอธิฐานนันมันมีไงมันยิ่งออกไปใหญ่เลยต้องได้เนี่ยตรงนี้ไงเข้าใจไหมว่า นี่แหละคือไม่มีความสงสัยใดๆมันต้องเหมือนกับผมที่กินน้ํากดเข้าไปแล้วไม่มีทางรนอดนอะ่ะคือตายกับไม่ตายไม่เท่ากันเองเท่ากันเองเนะี่ยมันต้องถึงเวละนั้นอะ่ะตรงนี้นจะรู้อธิบายไม่ถูกความรู้สึกอ<ม>แต่ถ้ามีคนอื่นอยู่มันจะแพะ้แน่นอนเฮ้ยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไปทั้งนั้นที่ว่าวิ่งอย่างนี้ไม่มีใครเลยคนเดียวจริงๆไม่ยอมรับถูดต้องคนเดียวเลยทั้งที่พัก ทุกอางนะไม่มีมีเสาวเดรย์หกต้นไม่อยู่ไม่ใช่รู้ไหมเขารู้ก็รู้ดีว่าแล้วแล้วอาจารย์จะช่วยอะไรมีรู้แล้วว่าอาจารย์จะช่วยอะไรยังไงไม่แน่แล้วอาจารย์เขาก็เพียงแต่แนะนําให้รู้จักแค่นั้นแค่นั้นเนีะแล้วเราเขาดูเขาก็เขาไม่รู้ว่าไอ้ทาโครงการไปเขานึกว่าไปให้ดูเฉยเราไม่ได้ทําสิดหน้าไปสิดหน้าว่าขออะไรเขาคิดว่า ไปนั่นเสร็จเราจริงจรงมันทําโครงการไม่มีเฉพาะโครงการใบถ้าทําในใบป่าหน้าว่าเราสรุปแล้วเราต้องการอะไรบ้างมันจะมีลูกสาวใช่อันนี้เราทําโครงการไปเราไม่เคยทําเอกสารด้านนี้เนีไงมันต้องมีใบจดหน้าว่าที่ทําหนังสือที่โครงการไปเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเขาก็ไม่รู้ทาไปถึงบ้านนี้คุณวันที่นี้โพลไบบอกเขาให้ส่งไปแกก็จดบ้านเลขที่ให้เลยแล้วส่งไปบ้านแกเลยบอกว่า ต้องการอะไรถามไปเราเจอไยิงไปกว่านั้นน่ะจดหมายน่ะมันไปมันไปทางรถเนาะรอนมากยี่สิบเจ็ดไปยิบยีสิบหส่งไปอสองวันได้รับอืมคือวันที่โทรติดต่อออกมาไม่ได้ยิบแป่เจ้าไม่รับโทรศัพท์ไม่ได้ในที่นี้ผก็ไปวันที่สามสิบไปยืมช่วยจานยืมหม้ออะไรอก็เลยลองโทรศัพท์กลับไปใหม่ว่าเออเนี่ยได้รับจดหมายแล้วเนี่ย แล้วก็ได้บอกเพื่อนอะครับเพราะก็อาจจะโอนไปให้เดี๋ยวท่านไปกดได้เลยเพราะในกรุงไทยมันก็ก็แกทางานอยู่ที่มอชิตนะเนาะเดี๋ยวลงมาเอ้ยไปที่มอชิดอ่ะลงมาที่กดโอนโอนเอจีเอ็ัพเดียวอืาเก็ไดปกดถ้าไม่ออกไปเอาจานก็ไม่ได้อืมก็ไม่รู้แหละเออแต่จริงจริงถ้าไม่ออกไปเอาจานก็ไม่ได้ะกลายเป็นว่าท่งนวูไม่ได้ส่งเพราะท่านรู้ก็ส่งไม่ได้เพราะที่ต่ออันี้ทั้งนี้ไม่ได้ ผมก็ส่งไปทั้งมันเลินบัดีกลนะอ่เล่บัญชีแล้วไอ้ที่เราต้องการค่าอาหารเท่าไหร่ของเลนเลี้ยงเจรกวันเตีวันลดทั้งหมดคือวันละห5าพันห้าหกสามสิบสามื่นมันขนาดนับนานเลยที่เตีเฉลี่ยเราตีเป็นทั้งรำบากเลเราต้องตีเผื่อ่ะ ผมต้องการว่ามันพอดีได้ยังไง <30 S 1> มันพอดีเวลาได้ยังไงลงตัวเพราะว่าสาหมื่นห้าร้อยบทไอ้ที่มันแปลกก็คือว่ามันลงตัวเวลาได้พอดีสมบูรณ์แบบได้อย่างไงตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมพอติดก็มามาถึนี่เพื่อนคืนมางเอาจากนู่นทุ่มเอาจากนู่นทุ่มหนึ่งจะไม่เสียเรียนเอามาลดเหรอใช่จะไปขึ้นยกข้าวหี่นะเอาถางนั่งแข่งมาด้วยอืมใช่เพราะมันซื้อสองครั้งเลยลดใคร รถนายโยโอปตอขับมาสอบเพียงผู้เดียวน่ะเนี่ยอันนี้ผมมองเห็นเลยทุกคนจะไปนีซือที่นี่เราจ่ายยหลดเขาไม่เคยจัดงานอย่างนี้ไอเราก็ต้องวางเองเลยว่าอาหารแต่ละวันเนี่ยควรไก่เท่าไหร่ผักเท่าไหร่แล้วทำอะไรมากแล้วคนมันลุมจ้องมองนึกออกป่ะทั้งที่ธรรมจาริกด้วยเขาก็ดูอยู่เหมือนท่านน่ะเขาก็ไม่ไม่ทาได้คนหุ้มนย่งน ภาพังพังหมดเลยรือันนีครับของช้งเียนเพื่อนฝูงที่คุยไว้นี่เละอุ้มไ๊่ไม่เหลือเลยจริงหรืเปล่าไม่มีใครช่วยมีแต่คนไปดูเฮ้ยมันช็อเลยตัวประวัติเขาก็ถามเหมือนกันเจ้าเด็กที่ไหนมาบวช ด, ด้วยเนี่ยครูก็ถาม อ, อาการเจาเด็กที่ไหนมาบวช ด, ด้เนี่ยพอบมือมีแต่คิดไปไปมาคิดก็มาบวชถามด้วยคิดจะมาเยอะเลยมาบวชผมไม่สอนหนังสือที่จบมือเนี่ยถ้ากว่าเาก็เป็นหัวงท่าน เ้าใจเนี่ยทาไม่ได้นั่นหมายถึงว่าอธิษฐานไม่เต็มแพรเพื่อนนี่ไงพาใจได้ป่ะผมไม่พูดวาค่ะทานไมาได้พูดอะไรเบางทีนมาแต่ใจร้ายหนี่ยโอ้โมีพุทอยู่ประมาณสิหลังฐานเนี่ยนอนการคิดทั้งนั้นคือร้อยลวแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่เป็นพุทนอนกอดคเนี่ยถึนก็ใ่ใจร้ายนี่ ต้องประมาณแค่ฝ่าไร้น้ไม่ว่าน้ไม่เต็นแล้วาำไงโน้ตท่านไปรอบโลกทำบงนี่วนี่ยเพราะมีเพื่อนกับเราไ้ยเป็นไรเว้ยประมาณน้เดี๋ยวก็ไปไปได้อาจารที่เห็นๆกัน6นหกสิบแล้วสามแรบเอาเด็กมาอีก่ามสิกว่าแล้วก็พามอแล้วผู้ปกครองอีกเนี่ยวันที่ย4ิบสี่เนี่ยผมต้องมอบวิบัตรนั่นน่ะที่วัชรนมาพะง้ไป ฝพออราล่ะก็ให้ทำเองคิดดูโลกทําแล้วปล่อยให้ทําเองแล้วมันจะภูมิใจนะ่ะเนี่ยวันเนี้ไปที่เรื่องลือไปถึงศกเมยรู้จักหมดอัดสินว่าเออมันทําเองมันทําได้เองนะมันอ <c oughs> อย่างนี้เวยแต่เรามีหลักในการทำ <c oughs> ท, ทั้งห น, งนึ่งคืองานเรามาดีจนคือมันล ง, <า>งตัวตามเวลาที่ต้องการอย่างเหลือเชื่อ ถ้านับเวลาถอยหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลังแต่ละหลังในหลังจะสร้างให้ลงตัวเวลาเตะพอดีเนี่ยเงินมาพอดีอะไรพอดีทุกพอดีหมดทุกอย่างอาหารการกินมันก็หมดพอดีพอดีเนาะแต่เรื่องจริงน่ะมันลงตัวพอดีอ่ะแล้ว่รงนี้มันติดต่อไม่ได้ทํางคันติดบล็อกประตูนะหลคาดมันติดต่อไม่ได้ไงมันรู้จะคุยกันยังไงนายโยมนะ นี่ตรงนี้เดิมกันแล้วก็สามารถบรรลุความสำเร็จได้ค่าขนส่งก็โมันร่วมหมื่นนะครับเรือสี่ลำก็ 4, 4, 000, 8, 000. 8, 000สี่พันเนี่ยค่ารถอีกสี่พันแปดพันแปดพันบาทค่าขนส่ง้องนั้นเองเดียวนะไม่คิดกับค่าขนส่งใบจองซึงนะค่าขนส่งใบจองซึงอีกเรืออีกสองเที่ยวเที่ยวละพัน โลจ่ะสาวดินมันโอ้ตรงที่เรามาไอตัวเล็กอ่ะพี่ถือจีวรขึ้นมาก้อนละหกกิโลปกติมันห้ากิโลครึ่งแล้วหน้าฝมันอมน้ำอ๋อเออมันคือเขาจะมีมาตรฐานในรายละเอีกบ็อกไหมครับเขาบรรทุกไม่ได้วบาวันนึงมันหนักบรรทุกได้กี่ตันกี่ตันเนี่ยแล้เด็กเราเยอะอะไรเยอะแบบเกลุ่มลก้อนทั้งหมนจะสนุกเขาด้วยคือมันช่วงมันช่วงเรียนด้วย เด็กไม่มีนะ่ะคำว่าช่วงเด็กเรียนคือเด็กไม่มีแล้วเขาก็ต้องดูแลข้าวอะไรเขาอีกคือมจัดมันคือมันดุงด่งช่วงข้าวสรุป ว, ว่ขาบบวข้าวเสี่ยววุ่นวายเลยข้าวุเนี่ยก็ยังเสี่ยวไม่เสร็จคนจะมาช่วยงานก็น้อยอ่าก็ไม่มีใครเอ้เนี่ยก็ต้องทําวันเว้นวันอาทิตย์ถึงทำได้วันเดียววันพระเออทำแค่วันพระวันเดียวคิดตัวกันแต่มาแต่มาขอเขาถ้าเกิดอาจารย์คือปล่อยให้ไปก่อนคือเรามาทํานวนว่ากี่วันมาเสร เราก็พอรูเนี่ยแต่ให้เขาพักข่อนได้บ้างแต่ถ้าถึงโค้งสุดท้ายเนี่ยขอแรงทุกวันนะเราก็มาช่วยทุกวันนะปรับพื้นที่ทำทำห้องน้ำานห้องน้ำมนหลงครัวสาวต้องดูภาพาเต้นเป็นเต็นเนียวที่สายแว่นน ะ, ะเป็นโรคเตา เดินมาพูดดีกว่าล้มกันเรื่อยนะขึ้นไปเอาน้ําที่ลื่นปูดกระแทบบั๊กไปอานนั้นมันจะลื่นเรื่อยน่าปวดอันนี้ก็ต้องปรับให้ดีเช้าขึ้นเราจะไปล่แพ้นะเย็นลงเราจะไปล่แพะมันไม่มีน้ําอาดาย่างนี้ก็โยงไปเดี๋ยวก็หลุดนี่ถอดเสียบเป็นเป็นประจําทุกวันนั่นคือหน้าที่วันนี้กองไปเลยไปเดินมาอจากจุดเริ่มต้นเะยแต่ต้องเสียบเดี๋ยวคืนดินมันแบบสไลด์ทับไอ้เนี่ยไอ้ท่อ ไม่ใช่ครับไอ้ทางน้ําผุดออกมาอ้าวแล้วทำไงต้มฝาก็เนี่ยว่าจะแก้ปัญหาอยู่นอ๋อใช้บ่ปูนเนยคือกองเลยไอ้กองมาสองชั้นนะครับกองทรายไปแรกทรายทรายหยาบเข้ามาประมาณถุงประมาณขนาดนี้ทางสองร้ยลิตรแล้วก็ถามถึงหนึ่งเราเช็ดมาแล้วก็เป็ทราละเอียดแล้วมันจะไหลรับลงมาชั้นทรายมาอืมอืมจะใสเออแล้วก็มาเนี่ยสองสองสุดมันก็ยัง ไม่ใช่หมายถึงว่าอีกตรงนู้นเลยนะอใช่ไอน้ำสุดเริ่มอะโบกกวาดออกอะก็แต่มันลดหลายสิบรอเลยนะอะไรเนียเขาไอต้นไผ่กอไผ่อ่ะเป็นกออสไลด์ลงมาทับเลยโอ้โหจำๆนะขึ้นาแล้วเลยแล้วมันก็มันก็น้ำมันก็ขุดมาได้แต่มันก็ต้องผ่านดินอยู่ไหมไม่เี่ยปัญหามันต้องไปเคลียร์นะต้องไปเคลียร์ตรงจุดเลยกงวันหน้าฝนรอ ไปรอไปขุดออกเดี๋มันมันเคยลงมันน่าจะลงมาอีกเดี๋ยวขึ้นไม่ดูได้ใกล้ใ้ตรงไหนวะถนนนี่ะขึ้นมาจากถนนเลยมันสไลด์ไม่อยากถนนเนลยเขาใครกอใหญ่เบื้อเริ่มนมาติดทางน้ําออทางน้ํามันขุ่นเงี้ยคนเลยเอาถัง่อ๋อนี่น้ํามันขุ่นยังไงที่คนเลยย้ายจากนี้ไปนี้ปุ๊บอันนี้มัน แก้ไขในที่แลผมจะให้มันกองอีกสิบชั้นหน่งเป็นสามสเต็ปเลยทีนี้คือมันก็น่าจะช่วยได้นิดนิดเน่ยแต่มันต้องล้างถางทุกไอคือต้องล้างกองตบกองอืมอืมอืมเอาหนัขึ้นแล้วว่าไปที่โกนให้มันดินมันกดขึ้นให้มันล้นออกดินมันจะลอยตัวล้นออกซานมันจะไม่ลอยตานเนี่ยมเราล้างดินมันต้องขยันล้างอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีล้างก็น้ำตั้งเยอะมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ฉันเห็น อันนีน้มันรอาจารย์เขาบอกว่าท่านโยาน้ำที่ไหนไท้จัดงานมีคน1ิบยี่สิบคนผมว่าสำหรับมันก็ได้ทำไาาด้แล้วเจ้านเจนเพชรวาไงเขาไปขายดูเป็นไงบ้างโอโ้เจา้าคุณท่านราษฎร์ิมนในทีแต่ตอนนี้เลื่อนเป็นประเทศโกศลแล้อพอผมขึ้นไปผมก็ไปในที่นั่นเลยขึ้นไปเอาผลงานไป อเออผมว่าดูควบคุมไปคนไปทีแรกก็เขาก็มาคุยเขาตั้งประเด็นว่าจะทำยังไงให้หันมานับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคือเราต้งแล้วก็ให้ไปแต่ละศูนย์แตะศูนย์ขึ้นไปเพื่อแสดงความคิดเห็นผมว่ไม่ได้แสดงผมก็เนี่ยผมทําี่ว่าฉายแผนแลหละการทำการทำไปแล้วก็บรรยายประเทศทีแรกคนนั่งท่านก็หลับ ห, หลักตาพอเสียง ใช่นั่นี่คือใครน่นไม่รู้เลยอมีคองผมคนเดียวที่เอาไปโชวแงานเลนเพราะมันงานนั้นไม่มีใครทําอเลยตอนมันไม่เีใรทำมันทำเดือนมกรามันไม่วถารู้ังไมเป็นคือเขาใช่ช่วงนั้นจัดบุคลากรมาบวชยากแต่อผมนี่ประสานงานกับทางโรงเรียนได้ละไอ้นั่มามาแล้วจ้าเอ้ยาอะไรหน้าที่ไป ย้ายไปอยู่ที่เคยเอาไอ้ทอี่ที่โ อ, อไว้เปิดครั้งแรกที่กขาโปรโมทกันนั่นนะที่มาเป็นเพื่อนเราอะที่พูดมาใน chat อะอ ม, มาป่ะไม่ได้มาร่วมงานคนระับเออหายไปไหนไม่ได้มาหน้าที่อยู่เชียงใหมาไกลสุดามาป่ะตอนนั้นที่เราให้ความ่มาไปไปสอบใช่ไหมสงสารไม่ม า, ากาเออมันหายไปไห น, นหมดสมัครเพื่อะไม่ีนีไม่มีมีอยู่ลูกสองลูกโอ้โหเขอต้องการเราเข้าอยู่ โอ้มันเกินดีอย่างงี้ต้องเอาแผ่นดคุณดงแล้วก็บัตรอนุมัติสาต้องใส่ยาไปเหรอไได้คืออย่างงี้ผมก็ผมก็เขาจะไเงี้ยาจะเอาไปไล์ก็ยกทันให้เลยเพราะผมเอาเก็บไว้ในแสนได้สี่ิ๊กอย่นัเหรอผมมีไปได้สี่ิ๊กเลยผมซื้อมาแล้วเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเรามีสองจิ๊กเองโอ้โหนไ้สี่จิ๊กเหร เไปเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อนนที่ไหนที่ทัศนีย์พอเสร็จแล้วก็ยื้มของอาจารย์เนี่ยโปรแกรมอาจารย์ก็ให้โปรแกรมมาก็รีบทำทำเขาให้อาจารย์ดูนดีจริงๆดูทีทีก็ซึ้งนะตรงตรงั น้อยออไปมันก็ไม่ง่าสามารถแกะโปรหนึ่งถึงโปรงหกในเล่นเปิดติดคอมพิวเตอร์ได้ขอๆก็โดยเอกอาเทวหัดทิม์แล้วเอาโปรแกรมหัดพิมพ์มาให้ก่อนทิมสัมผัสครับหิเครื่องมือเครื่องประกอบเดี๋ยวต้องติดต่อทาทอาจารย์ติดเครื่องมือสองเครื่องนั้นอ่ะ IBM ของ้ <c oughs> สวัยอ่ะชุดนั้นอ่ะที่ฉันเอามาอ่ะดีมากสองพันกว่าบาทเอง แต่เราก็ไม่ได hey, I mean, ้เจ๋งอะไรก็เท่า um ที่ความรู้ที่พอได้สองพันกรบาทเองน่ะรบุกเฮ้ยไม่ไอ้คตนอนอ่ะแบรนด์อ่ะแค่นี้แล้วเร็วผมก็ใช้ขึ้นเน็ตทุกวันนี้น่ะเร็วมากเลยไอบเออ่ะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตลงโทรศัพท์แล้วเนี่ยสมัยอ๋อแลวดีเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนะสบายเลยเะขอตอบคูเปอ้เพิ่มไหมไม่ไมู้จารณ์ที่ อาจารใช้เรือะไรที่นุ่นที่มันดีที่สุดอยู่ประมาณึ่งนั้นแบบที่ไหนที่นุ่นคืออะไรที่เข้าไว้เหรอที่เขาขายจะลบราคาเนี่ยหรอทีอาจารย์บอกที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นของหนีภาษีที่ขอไม่ใช่ของหนีภาษีของของเมืองนอกของญี่ปุ่นนี่แหละที่มันเนี่ถามนี่ก็ซื้อประจําเอถ้าเกิดใช้ได้เลยก็ประมาณสี่พันสามพันเจ้าเนี่ยใช้ได้เลยแบบเทปถ้าเกิดถ้าเกป็นรถบุ๊กรถบุ๊กก็ ไม่เกินเจ็ดพันเอาแบบที่มันโอ้โหเร็วปื๊ดเลยล่ะครับดีกว่าไอ้ที่มันวังขายโอ้โหเป็คนละเน่ะอันนี้มันคนมือทนตีนี่ของนอกแท้แทุ้ดยอดแบบที่จันโอ้โหสะเที่ยมทีสุดมากเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ลวดูไอ้น่าละดวนละเข้ามาเนี่ยันใหม่อะไรด่วนรถใหม่ดูอ๋อาอ่านาดวนทหารรตัวเข้ามาเร็วอะไรตอนนั้นจะดูกับพี่จเสียเร็วอ่ะดีที่สุดผมเอาเซเอร์เด็วไอ้ตัวเออดีอ่ะฮะ ้ซื้อเมาอลบปุ๊กเหเอาสายต่อโอเซฟไเฮ้ยเอาจอนี่เอาเฟอร์เพิ่มมาเหรอครับอ่าด่วนใช่ไเดีวเดยของเดีวใช่มคแล้วมันมันกี่ซีพูล่ะผมยังไม่รู้ยังไม่ดูเลยแล้วอยู่ไหนอ่ะเก็บไว้ในห้องเออเป็นเป็นไอ้เหล็กใช่ไหมเหล็กเออครับดิสทับดิสก็เป็นเหล็กแล้วก็มก็เป็นเหล็กเอามาเอามาเลยยกมาเอยิ่งผมจบไว้อะไรวะเพราะมันร้านมันย้ายไปอยู่ที่ไหนตรงไหนมันย้ายไปแล้วน่ะเดี๋ยวผมหาให้ ตอนนี้จอจอมันจะเอามาจอเนี่ยมันจะไม่เห็ดแล้วไม่ซื้อไหนหานั่นน่ะไม่หางไม่จอมเปียกน้ํามาครับเสียกน้ำทะเลครับมันมาแยกเข้าใจแล้วมันมาถึงถอดกุญแจถายนี่ยถอดฮาร์ดดิสออกไปเลยใช่เอาไปหาจริงจริงมันมาทั้งเซฟมาทั้งเซฟเราพูดมาถอดว่าหาว่ามันเราถอดฮาร์ดดิสมาก็ไม่มันถอดแล้วก็ถอดที่เอามีฮาร์ดดิสบ้างไม่มีบ้างเ่รนะออมันถอดแล้วถอดซีพด้วยแต่ถอดซีพียูกับมีถอด ลามแบบไว้แล้วมันดีนี่ข้างนอกเนมันมีผู้หลังบางทีผู้หลังมันมาซื้อฮาร์ดดิสก์อรซื้อเหมาไงซื้อเหมายกเหมาลูกคาแล้วูกแม่มันเอาไปทาอะไรเสียงไม่เสียางมันรู้มันโยมรู้ว่าเอาไปทําไเพราะอันนี้มันของตลาดหุ้นมันจะมีเบอร์ไอไอนั่นายไอเบอร์บัตรเครดิตการ์ดมันเอาไปดึงเอาบัตรเครดิตการ์ดเอาไปทาบัตรฟอมบางทีนตคอมมันมาตามหานะอันเนี้ยจะเอาเครื่องเนีย เดวเดวขอ ง, ของเดวเี่ยแล้วมันเดวมันจะแปะเนี่ยมันจ ะ, ะใช่ใช่ L 200, L ใช่ L สองร้อย L สามใช่ถูกต้องเอาเครื่องเนี่ยมันรอผมพาไปอาจารย์ เ, ยเยจดเจ้าเครื่องนี้เจ้าของร้านไม่อยู่มันก็คอยคุณรู้ไหมว่าในหุนนีแต่มันจะมีไอไอเครื่องที่เป็นไอเคสนี่ยนะไม่ใค่เครื่องรถบุกนะอันนั้นมันมาจะสลาดหุ้นกับบริษัทขายสตอ็อกแล้วก็ธนาคาร มันจะมีเบอร์ของไอ้บัตรเครดิตการ์ดประวัติลูกค้ามันเอาไปทําบัตรเบรดิตฟอมได้เลยมันคิ้งไาซื้อฮาร์ดดิสเนี่ยเนี่ยไปออกบัตรฟรอมเนี่ยรูดได้เลยอ่ะแล้วพวกเจ้าของบัตรก็ไม่รู้เพราะมันมาจากหลายประเทศทั้งนั้นนี่แหละรฮารดิสมาบุกตัวในนอ๕ร้อยยี่สิบกิ๊ดรที่ร้อยสองร้อยกิ๊ดอะไรก็ประมาณพันสองพันกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยกิกดละร้อย ประมาณนี้จิกละตีละจิกละร้อยถูกมากไม่ตอนนี้มันขายสาร์ต์ไงแล้วเราที่ผมไปถามคือ i d e i d e ดีที่สุดครับสตาร์ต์ฉันนึงบอกอ่ะก็ถ้า20่สจิกนี่ห0าร้อ50้าสิบจิกแบบพกพาผมไม่ได้เอามานั่นเราท่าก็ใช้อันนั้น40่สจิก ผมว่ใช้40่สิกจิกอ่ะแต่ไส์มันเล็กไปแล้เออคือมันน้อยเกินไปโอ้ิก็เต็มแล้วเลยผมจะเปลี่ยนเป็น้อยยี่ิกโอเก็ผมมันเท่ากันอีกไม่ใช่ตรงนั้นไม่เท่าไรคุณใช้โน้ตบุ๊กอันหนึ่งตัวมันอะตัวของโน้ตบุ๊กอะเราใช้น้อยที่สุดประมาณ20 g สิก่ฮาร์ดดิสก์ใส่รดิไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เอ็ัข้างนอกเนี้ี่สิดตัวเนี้ยสบาเพราะฉะนั้นไวเพราะมันใช้ยูเอีแต่ต้องคอย ลิปมัจะแทรกไว้หล่นทางอืมโอ้หข้อมูลเนาะอ้ากูมันมีกู้ข้อมูลได้ไหมได้มันมันเราก็ทําสแปร์ไว้ในเครื่องและไอตัวนี้คือตัวที่พกพาเราก็ต้องพกพาไปถ้าเกิดมันเสียปุ๊บเราก็เ้วยอันนี้มันกันไอ้นั่นมันหายต้องไปเก็บข้อมูลเก่ามาไว้มัอนเดิมไม่เราของผมเนี่ยจะมีเสียผมจะิ๊บให้มาจิ๊หนึ่งขึหน้านั่นน่ะหายไปแล้วยังดีนะว่าภาพทั้งหมดอ่ะเก็บไว้ในคอมแล้วก็เลยซื้อ โดนกินมี i อบีอีไีเก็บเัาเลยเป็นฐานข้อมูลเนี่ยรยจิกเก็บเไว้เลยเป็นในสองน2อง้สิจิกก็เต็มไปแล้ว2องริบจิกตั้ง3ตัวอันนึงพูมาอันนึงสำลองไว้แล้วไอ้มันอยี่เรื่องเสียหายถ้าหายปุ๊บเราก็มาเอาไอ้ตัวแต่ถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กนะตัวโน้ตบุ๊กไม่ควรจะเกิน40่ิจิกแล้วก็มีสแปรไว้สาหรับเราทาไอพิมพ์หนังสือ20ทําเป็นตัวเบสมัน20ิบ แล้วก็ที่เก็บข้อมูลจริงๆอยู่ข้างนอกร้อยี่สิบจิกโคาจบเล็กๆแค่นี้เนี่ยเล็กกว่าสมุดนี่แค่นี้เนี่ยสบายแล้วไปไหนก็ไหนสบายเนียาร้อยยี่สิบก็พันอ่าพันห้าเออเดยวไปเช่นเอาอยู่สิบเนี่ยร้อยี่สิบดีสุดฮะอย่าไปซื้อตั้พราะนั้นไป่อาใส่เลยสบาย บางนิดก็พกใส่แล้วก็รูดพิษแล้วก็ไม่ต้องนี่ไม่ต้องใช้ไอ้นั่นไอ้ไอ้ตัวทานความเมื่ไม่ต้องใช้แดปเตอร์อะไรนยใช้ usb ออย่างเดียวเลยแบบในกล้องสะดวกสะดวกดีนี่สะดวกมากแล้วถูกด้วยโอ้โหพันกว่าบาทผมไปซื้อสี่จิกมันเท่าไหร่ถูกกว่าแปดได้นี่ไม่ถึงเจ็ดเร้อบาทนี่เชื่อไหมว่าถูกกว่าแปดได้ถ้าร้อยี่สนี่แปดได้สี่จิกพันกว่าบาทแต่ว่าสี่ิกเนี่ยพันกว่าบาท แต่ว่าเราเอาพันกระบาดไปซื้อร้อยิบจิกมันเป็นแทนแปดใจใช่ไหมดีกว่าใช่อหหนังมีกี่ร้อยเรื่องโอ้เป็นหนังเยอะยโอ้โหผมแต่ว่า้ใครหนังบ่อยไม่ดีวะเพราะมันเต็มไวผมน่ะโือสอง้อยห้าสิบกหมดไปได้งานไปชาใช่ไหมมันก็โหบูบไปเลยแล้วก็ไอคินคาถาสวดคินมัญชอนผมว่าจะแดมันสี่สิบจิกใช่มหนึ่ง่าจะาออกใช่มสี่สิบิกใช่เนี่ยสี่จิก สีอะไรสี่จิกผมนึกว่าสีสิิกอ๋อแปดได้ท่านก็เอามาเอายกเคสมาไว้ที่นี่แคตัวหนึ่งแล้วก็เอซ์นอนตัวหนึ่งแล้จะเอาน็ตบุ๊กเราก็เอาน o t ตบุ๊กเอาน o t ตบุ๊กเอาไว้ทำงานอย่างเดียวไงก็โนตบุ๊กก็ได้ก็โนตบุ๊กโนตบุ๊กนี่มันเสียบอันนี้ได้่ไม่ใช่คุณุคิดผิดแล้วโนตบุ๊กเนี่ยมันใช้เฉพาะเฉพาะงานคือหมายถึงว่าเราไปประชุมไปให้ค่วข่าวไม่ใชเปิดแม่งขึ้นมาทั้งคืน <น>เียกถ้าทําาแผ่นเปิด<อ>ทั้งวันทั้งคืนท่านต้องซื้อยี่หอ้อเดีวเท่านั้น๋อคงไม่ได้เปิดหอกเพราะมันอยู่ในอนี้อ่าไม่ใช่ซื้อเดียวเท่านั้นแล้วก็แล้วไงวัตตริมชาร์จเท่ไรชาร์จทีมันใช้ได้สองวันเปิดตลอดนะติดต่อนะเดี๋ยวนี้นะของเดียวนะโอ้ก็เซฟเบอร์ถ้ากระเซฟเบอร์มาสับมาสับทํา CPU ด้วยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเด๋วผมมันมีคนซื้อไปมีคนซื้อไปเป็นหลักเลยนะหรือตุ้งเชื่องเซฟเบอร์นา มีมีคนซื้อไปแล้วก็เขาอยากจะได้ใหม่เดี๋ยวจะไปขอซื้อซื้อต่อคือให้ราคาเท่าเดิมเอาเครื่องมาเครื่องนาใช้ได้เขาลำคาญบอกมันใหญ่เทอะทบเนาจะเขาไม่รู้อะไรซื้อเอิ่มใช้เงินหนักเปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนี่นั้นบอกเนี่ยเขาเลยมาดวนี่ซีทแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ดูอ้อมนะดูอ้อมมันใช่ตัวเดียวแต่อนี่มันเป็นซีทีองตัว ว่มันสับพันทํางานโอ้โหสุดยอดเลยอันนั้นอ่ะคุณนิปสายเพชรน่ะไอ้นั่นเอาไปลายง่ายสุดทัดน่ะเอาเข็นปายอ่ะหล อ, อกเข็นปายอ่ะเอาไปซ่อมอ่ะแล้วบอกเสียใช้อยู่ทุกวันเนี่ยสีดำรึเปล่ะาของอยู่ตงสีดํำใช่ไหมเดวและสีดํะนะดด า, าั่นอ่ะรุ่นเ ก, ก่านนะ่ะไปซื้อไม่บอกกันแปลกจริแล้วร้านมันอยู่ตรงไหนมันเปลี่ยนที่แล้วไงอยู่ตรงสวนเสือนะ มัจะจย้ายมันย้ายไปแล้วมันจะจะย้ายมันย้ายไปแล้วเส้นไปหาแล้วไม่เจอที่ที่แล้วก็จะมาเนี่ยอยู่ตรงหนองแฝดจะย้ายไม่อยู่ตรงหนองแฝดน่ะเออย้ายไปแล้วทั้งกันย้ายไปแล้วนี่ซื้อไอ้อย่ายไปซื้อเคสตั้งนะซื้อเคสนอนนะของไอบีอมซื้อมาเคสมันใช่ไม่มได้เนี่ยหนอะไรเค่ไหนคอมเปอร์คมพิวเตอร์มันกินฟสูงอันไหน คุณต้องซื้อเคสนอนที่กินไฟน้อยที่สุดเลยไม่ไฟแสดงว่าซื้อพาวเวอร์ีอวัตต์มันเกินไปแลว่ารุ่นเก่านี่พาวเวอร์วแค่นี้เองเคสนอนน่ะมันรุ่นเดียว่ามันจะไม่กี่วัตต์อกแต่ขึ้นไปรยมันมันรุ่นเก่าประมาณร้วัตต์อยยวัตต์แล้วก็มาจมาสอามาสี0มาส0 0เดี๋ยว่400อเนี่ยมไม่ได้ เขเดี๋ยวนี้มันที่เขาดึงมันเพราะว่ามันใส่ไอ้ไลท์แล้วก็ดแล้วดกิรดแล้วดีอกอีกแล้วก็ไอ้ที่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่านะไอ้ตัวไอ้ตัวที่ก่อนี้ใส่อะไรนะตัวไหนสล์สไลท์หนึ่งจุดสี่สี่อ่ะตัวนั้นอ่ะวาทงานโน้ตบุ๊กจะดีที่สุดทำตรงทำตัวตัอย่างที่อาจารย์ว่าเทปนอนนะเทปนอนนะท่านนี่0 อันนั้นยังไม่เท่าไหร่ไอตัวไม่ใช่ลูกเก่านะ ibm ดีเ็มยนเอามาใช้ทุกวันเนี้ยมิดเดียวแล้วยังไม่พออะไรั้งงว่าไอตัวซีพเนี่ยนะมันเป็นตัวซีพที่ออกแบบสำหรับตาดุ้นโดยเฉพาะ i อ m อนะหนึ่งจุครับแล้วไม่มีที่ไหนเลยนะอ๋อหนึแล้วไวดีขนาดไอออกหมายังหนึดแเลยโนตบุ๊กอ่ะนี่1นึ่ล้วหูแล้วขึ้นเน็ตไวจริงโนดบุกนะโนดบุ๊กแบบเล็กๆแต่ว่าโนดบุ๊กมันจะเปลือง ใช่มันไปโหลดแบตที่แปลไปดีซีถูกต้องถ้านั้นไม่งั้นท่านท่านจะมาหาวิธีแปลลองมาใช้แล้วใช้ได้เลยเสียบได้เลยเสียบเลยอู้ท้งว่างโอเคเลยแต่ท่านท่านลองซื้อพัดลมมาทิ้งาไว้บ้างนะไม่ใช่ทั้งวันพัดลมองสาหรับรองเอ้ตัวนี้ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทลองอยลองไอตัวไอ้เรื่องอะไรจะรู้ก่อน เอกชนนอกดีสุดมันไม่ร้อนเครื่องมันไม่กินแรงแรมเครื่องมันง่าเสียเร็วใช่นอกหมดนะคือเวลาเราจะอัดเนยเราไม่ได้อัดทั้งวันทั้งทุกชั่วโมงเวลาเราจะอัดตุ๊บเราก็เปิดเราก็อัดใช่เอาเอา USB มาเสียบเข้าไปแล้วเราก็เิแค่นั้นเองมันมันไม่ต้องมันเป็น USB ตัวหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับ e อกชนอไอ้ที่เราใช้ฮาร์ดดิสนะเเสียบออกไปก็เสร็จแล้ว เียนีมันใช้ง่ายแล้วบางด้วยนะทุกนนะโถูกจะได้หาไรดีวีดีเดี๋ยวนี้นี่จะมีโอกาสลงไปดูเลยนะฉันซื้อมาฉันไปเอาอีกไงจะเอาไอ m อีอีกไงเพราะว่าฉันขึ้นเน็ตมันเร็วเร็วกว่าไอที่ซื้อมาอีกเขาเอาดวนอะไรนะไอเอดมมาให้อะใช่เนเล่ของใหม่นเ่ของใหม่มันโดนไวรัสได้ง่ายครับไวรัสโ้หเข้าเลยเร็วปืดอย่างของท่านนี่ไงเนี่ยเร็วๆนะไวรัสแด เตมโอ้ไม่ไหวมันแก้อะไรเขาไม่เด็ดให้ผมแก้นี่บอกพูดนะแต่ว่าไม่เห็นเอาอะไรมาให้แต่พกเขาโปรแกรมอันนั้นน่ะท่านรู้มไหมน่ะไวรัสกินงั้นละครเครื่องใหม่เครื่องใหม่เนี่ยมันทํามาสําหรับที่จะอัปเกรด CPU เพราะฉะนั้นมันต้องเอาสร้างไวรัสขึ้นมามันจ้างสร้างเลยนะเพื่อให้ CPU มันเสียเร็วๆจะได้อัปเกรดเนีไงงั้นบริษัทจะเจ๊งเพราลงมาทํางานก็มาเด็กมาใส่กราฟจอใส่อะไรมากไปไม่ต้อามาเล่นเกมกราฟิกเยอะ ไม่ได้เม็ดไม่ไทอย่างนั้นามาทำงานไงทำทำงานทำงานน่ะไฮบีเอมที่ฉันบอกกับนาเคปนอนอ่ะดีที่สุดนี่เปิด24ชั่วโมงเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ซื้อเรื่องมาแล้วก็ซื้อจอใหม่ซื้อซื้อจอ l อ d ซเฮ้ยเห็นนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้ยุคสิไออันนั้นไอไอตัวอันใหม่แบรนด์อะผมยิบสายไอตไอตัว l อ d ซอย่าไปซื้อโอเร็วมากไอตัวซิบงซิบ้าอย่าไปเอาเลยตอนนี้จอแบรนเน่ ดีที่สุดไอที่มันติดในรถมาน่ะนั่นแหละอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถูกด้วยสองพันงี้พันเงี้ซื้อตามบริวารก็ไม่ใช่จะไปเอาจอแบบนี้มันกินไฟคิดหมายหะกินไฟด้วยไป็นจอ L C D ไม่ใช่ไม่ใช่ L C D มันจะลิควิดคล้ยคล้ายอะไรพลาสม่าพลาสม่าพลาสม่าจอพลาสม่าดีมันถูกประมาณสองพัประมาณสามพัน สองพันจอเดี๋ยวนี้ถ้าผมก็จะเปลี่ยนจอเป็นพัสม่ามันก็ได้เปลี่ยนแม็กจะมองด้านไหนก็เห็นทัพแล้วมันไม่ใช่แก้ทั้งกินไปน้อยสิกินไปน้อยด้วยเพราะที่ก่อนในจอยจอคอมใหญ่ๆยกทีอย่าง่ะทีวีหนักก็หนักกินไฟชิดไฟตกทีไฟตกเลยพัสม่าอะไรที่พัสม่าตกมาสามพันเพราะเราซื้อเราซื้อเราลุ้ที่ซื้อนี่ก็คือจอเก่าเท่านั้นแหละเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเอลซีดอลเอลซีดีก็ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะตอนเนี้ย ตัวรีวิวเนี่ยพันาที่านัสิบี่ถึงันาเราก็ขึ้น้วหน่งบเจ็ดเ้ย่ตอนตอนนี้ก็ขึ้นแล้ว1ิบเก้าใครว่าสี่สิบนะฮะสีสนิ้วแล้ที่เป็นเนี่คล้ายๆอะไรวาสกีนั่นน่เดี๋ยวบอเป็นไม่ใช่คล้ายๆเป็นวาสกีนหนดเทีวีีที่มันกินไฟน้อยก็นี่กับพัไป้ตัวนี่ไงที่พัฒ่าเนี่ยที่อยู่ในรถพัฒาเออ LG นะก่อกินไฟน้อยเลยเนียของท่านเนี่ยเครื่องทีวีที่ท่านกินไฟน้อยหย มันหนักเลยแล้วเปลี่ยนเเลยอย่างไรรถนั่นพัลสมาประมาณเท่าไหร่ใหญ่ชัดมากอ่ะสิบสิบเก้ามสิบเก้าดูด้ต้องดูยี่เอยนไม่้หีหมดแั้แหละมีตังค์กไปนายงั้นแหละไม่ต้องพูดนะมีไหมนะมีตังค์ไหมมีมีตังค์ใจเขาไมเออนั่นเองพส์มาครับจะไปซื้อจออื่นแล้วไม่งั้นจะต้องเปลียอยู่เรื่อยผมแล้วม่เอาไปแก้เลยซมาบัตงอ่ะอันนี้มันก็ทนกันแต่บอลซื้อมายูโร กี่ปีแล้วยังเชียร์เลยหลายปีเนี่ยนังทุ่นเล LG ขับ LG เลย LG ทนก็ว่าจะถ้าไปก็จะยกให้เลยไงไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เอาไปไม่ขนกลับแล้วอือคืออย่างน้อยมีคนมาบ้านอยู่นี่ก็แหละเนี่ยยังเหลืออีกหน่หน่วยนอนนึงก็จะโลในห้องก็ไม่มีอะไรไปก็เหลือไม่ได้เก็บ เขาอกตอถามแลวก็มายายมบอกย้มอย่างเดียวบอกให้ตั้งต้นเหรอไม่ได้ตั้งต้นเลตงเาอกงหอกไม่ได้หอกได้เมื่อไรจะบอกผมอ๋อจะบอกนะอกั้งะอกิ่งอะไรไม่หอกไม่ได้ยังไม่เก่งัวลัวบอกไปผิด เดี๋ยวนี้รู้เรื่องไหมเเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อไปแล้วนะไปตลาดหุ้นแล้วนะรู้หรือยังรู้ยังท่าน้อองท่าน้ให้ท่าน้ออกตัวบอกตั้งนานแล้วนะอยตลาดหุ้นไหนะให้น้ำออกตัวแต่ผมไม่รู้เรื่องหุ้นผมก็เลยประกาศตัวแล้วท่านี้แล้วมาเปลี่ยนตอนไหนตอนหมดใชไหมไงตอนหมดค้องไงเป็นไงอผมจะดูสัตว์เปียนเสริมอจะดูหุ้นหุ้นเล่นหุ้นเมอ ไม่เป็นเลยถ้าเป็นมันหนาจบบพลิกแงพงซิกแซกไม่มีอะไรเลยถามก็รู้ดัชนีก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงต้องรู้นี <c oughs> ่รู้ที่ไหนเราภาษามันยังไม่รู้เลยก็ถี่บอกเมื่อคืนนี่แหละก็นั่นแหละเราจะบอกเห็นเขาบอกเอาหัวยจะสละคน <c oughs> เจ่งใเรื่องหุ้นแล้วอะไรหุห้นกว<ม>นแทงทุกวันอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่แต่คนละเรื่องไม่ใช่หวยหุ้นก็หวยหุ้นแหละอาเป็นดัชนีขึ้นลงอย่างงี้แหละไม่ใช่โละคนไปเอาไปซื้อไงไม่ใช่ดัชนีขึ้นลงเขาใจผิดอีกแล้ว ตัวหุ้นเลยตัวหุ้นเลยว่าูุ้นจะดิบไหนตัวหุ้นวันนี้พรุ่ง น, นี้จะอะไรจะเออทองขึ้นหรืออะไรขึ้นอย่างนี้เลยนะอะไรขึ้นอเออแล้วบังคับพุ้นธ น, นาคารพุ้นอะไรอย่างนี้ตงหาอะไรจะขายบริษัทไหนกุหลาบแก้วหรือบริษัทอะไรเอาคนอย่างนี้เลยนะตักซอนอะไรคนรวยเขาจเล่นหุ้นทันเลยเ๋อกทีหนึ่งก็2รยล้านแล้วเพรุ่งนี้เดี๋ยพรุ่งนี้อารมณ์ดีๆยังไงยังไงยังไงตักพูดเียอยูหลังไม่ทานะผมก็อยู่นี่เนี่ยอยู่ เราฝากพูดเพี่จะล้าหลังปลาดหุ้นอ่ะเพราะเขากินจีลร้อยล้านเรากินจุลพัน์อะไรอย่างเงี้ยกเรื่องการศึกษาเออยังไม่ถึงนะเออยังไม่เอายางสั่งโอ้โหคุณไม่ต้องมาคุยนี่คุณไม่ต้องมาคุยเลยนะไอเขาพูดแบบนี้จะบอกให้แล้วรู้แล้วเลอะเนี่ยนะแตนุกจะบอกให้สารพันูรันุ์ไ่้ออไรอย่าเง้รนไม่อยากจะพูดผมไม่ไม่ไม่่นั้นนะถามนี่ สามที่สามเดือนเป็นยังไงไข้ขึ้นหรือเปล่าเพราะน่จะไม่เตือนชวนเลิกไปเลยอ่ะต้องต้องไล่สัต์เกณฑ์เออไปเลยคุณสัตว์เกมวานเว้ยย่ามาทางอาที่ย์กสุรทินอู้ไม่ใช่พูดจากนั้นหรอกอที่คุณเรียนเนี่ยยังพูดนี้ยังพอไหวนี่ระวางระวางตียางก็ไปอีกเนี่ยี่ยางระวางไอ้ซอยไอ้ซอยที่ชั่วโมงครึ่งอ่ะซอยแปด ซอลงไปอีกพอยตีสามสิบเก้านวางสิะเก้าวินาทีแบ่งก็ไปสามร้อกสิส่วนเนี่นี่ไม่ใช่11เ็นาทีนะหนึ่งวินาทีแบ่งกัไปสาม้อกสส่วนเนี่ยแล้วก็นวางเพราะนั้นทิ้งบอกไงผมยังไม่จับเลยนวางตจักรราศีจักรราศีเลยามสิ มันเยอะจัด